เอาละมาเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงของอดังตรีมิสัยจนามาถามตอบกันนะไม่ออมีอยู่ตรงโอเคสวัสดีค่ะพี่ตูนและทีมงานนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสดีๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเอียงไมายนิดหนึ่งนะมันบางทีเสียงมันอาจจะเบาขึ้นิดนึงก็น้องเข้ามาปฏิบัติที่นี่ค่ะพราะว่าดีอยากให้ดิฉันมาปฏิบัติด้วยนะคะก็ทุกวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหวพร้าอยู่แล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าสังเกตตัวเองนะคะว่าเราฟังเสียงสวดมนต์ของเราจะมีสมาธิกว่านั่งสมาธินะคะ เพราะว่าบางีน่าสมาธิใจมันฟุ้งบางีก้นหลับบันทีมันง่วงมันหลับนะไม่ของคุณมันอยากได้อยากได้น้นอยากได้เนี่ยบางทีเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยนะคือเคยเห็นไหมใจใจมันเหมือนกับไม่หยุดเพราะว่ามันยังมีอาการมันมันฟ้องอาการอยากนะอยากได้บางทีเราอยากจะลุกจากที่นั่งสมาธิเนี่ยเหตุผลเพราะว่าอยากไปทําโน่นอยากไปทํานี่ใช่ค่ะ มื่กังวลเรื่องเวลานะคะว่าเพราะว่าตอนเช้าเราต้องทํานู่นทํานี่ค่ะใช่ค่ะกลัวไปทํางานไม่ทันอะไรเงี้ยเปนที่จะกังวลทีนี้ให้ดูแล้วกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนนั่งสมาธิมันมันก็เหมือนกับทั้งทัที่เราไม่ได้ต้องทําอะไรนะแต่มันมีอาการอยากแบบเดียวกันเห็นไหมคือคล้ายๆกับว่ามันไม่มันไม่พอใจมันไม่พออยู่แค่ที่ว่าเราจะอยู่นิ่งๆมันเหมือนอยากจะลุกขึ้นทําอะไรสักอย่างหนึ่ง คือถ้าเห็นว่ามีอาการอยากแบบนั้นเราก็แค่ยอมรับไปตามจริงว่ามันเกิดความอยากแบบหนึ่งขึ้นมามันไม่หยุดมันมีอาการยื้อให้ออกจากไอ้สภาพนิ่งสภาพนั่งนิ่งๆเนี่ยนะอย่างนั้นพอเห็นว่าเออมีความอยากเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนเราก็สังเกตต่อไปว่าลมหายใจต่อมาเนี่ยมันยังมีความอยากแบบนั้นเท่าเดิมอยู่หรือเปล่า แต่เมื่อกี้เนี่ยพอมันมีความอยากขึ้นมาแล้วมันมันวนมันวนไปวนมานะมีอาการยื้อคล้ายๆยื้อให้ออกคำว่ายื้อให้ออกคงเข้าใจใช่ไหมมันมันเหมือนกับจะคันอกคันใจอยู่หรือว่ามีอาการที่คิดวนเวียนในลักษณะที่มันไม่พร้อมจะนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็แค่ยอมรับไปตามจริงว่ามันมีอาการมกวนแบบนั้นอยู่มันมีอาการยื้อแบบนั้นอยู่ แล้วก็ลองสังเกตเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพอเราพูดถึงมันเนี่ย ม, มันบางลงนะแต่ว่ามันไม่หายไปทั้งหมดใช่ค่ะนึกออกใช่ไหมเนี่ยก็ให้มองดูใช่ไหมคะม อ, มองดูความไม่เท่าเดิมจำคีย์เวิร์ดไว้ถ้าหากว่าเราเห็นความไม่เท่าเดิมได้คีย์เวิร์ดมันก็คือว่าจิตจะถอนออกจากการยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเนี่ยตอนเนี้ยใจมันคือหมายถึงเมื่อครู่นี้นะที่มันมีอาการยื้อเนี่ยใจมันยึดมั่นอยู่ว่า อาการยือนั่ะเป็นเราเป็นเรื่องของเราแต่เนี้ยยางพออาการยื้อมันเบาบางลงเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้อาการที่จิตเข้าไปยึดมั่นอยู่ว่าจะต้องไปตามอาการยืดนั้นนะ่มันเบาบางลงตามไปด้วยอ่าเข้าใจนะนี่ต่อไปเนี่ยเวลาที่ทำสมาธิเอ่อ ของคุณเป็นเป็นสิ่งที่ตำราท่านเรียกว่าปริพภ o คือห่วงพันธะปลูกพันนะว่าจะต้องทำนนทํทำนี่ลองตื่นขึ้นมาเช้าขึ้นสักนิดหนึ่งเช้าขึ้นในแบบที่เราตกลงกับตัวเองว่าเนี่ยช่วงเวลานี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วแน่ๆยกตัวอย่างเช่นปกติตื่นขึ้นมาปีห้าเราอาจจะตื่นขึ้นมาสักตีสี่สี่สิบห้า บอกว่าสิบสิบห้านาทีนั้นเนี่ยเป็นสิบห้านาทีที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตของเราไปเพิ่มเวลาที่จะตื่นเป็นช่วงเวลาของการตื่นนอนให้ชีวิตตัวเองสิบห้านาทีสิบห้านาทีนั้นเราไม่ได้จะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นแน่นอกจากนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วสิบห้านาทีนั้นเนี่ย มันจะได้เป็นสนามฝึกพอมีอาการยื้อมีอาการเหมือนกับอยากออกจากสมาธิไปทำโน่นทํานี่อีกเนี่ยเราก็บอกตัวเองได้ว่านี่ตกลงกับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่เอาเราจะเอาข้างในอย่างเดียวข้างนอกไม่เอาเพอฝึกบ่อยเข้าเนี่ยอาการยื้อมันถึงจะค่อยๆจางลงจริงนะเหตุผลที่ว่าเราสวดมนต์แล้วมันมีความรู้สึกว่าได้ดีกว่านั่งสมาธิ มันมันง่ายนิดเดียวเพราะว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเราเกรงใจพระพุทธรูปแต่ตอนนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีใครให้เกรงใจตอนสวดมนต์มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกรงใจเราเป็นคนเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกออกไหมเวลาสวดมนต์เนี่ยมันมันมันกลัวว่าเดี๋ยวจะบาปให้ความเคารพอ่าให้ความเคารพเห็นไหมลักษณะของจิตที่ตั้งไว้เนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่ง เวลาคุณสวดมนต์เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละช่วงในแต่ละขนาจิตคำที่เปล่งออกมามันทำให้จิตเนี่ยมันมีที่ตั้งมันมีที่จับยึดที่แน่นอนอิติปิโสภะวารังสัมมาถ้ามันไม่ได้พูดไปตามสคริปต์เนี่ยนะมันผิดมันรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันไม่อยู่ในร่องในรอยมันมีทิศทางชัดเจน แต่เวลานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่มีทิศทางที่ชัดเจนจะทำอะไรแน่ก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ถึงได้ว่านั่งสมาธิไปแล้วบางทีมันออกอ่าวโดยไม่รู้ตัวแต่นี้ถ้าอย่างช่วงแรกตอนที่ตอนที่ให้สำรวจมือสำรวจเท้าเนี่ยเรารู้สึกสบายได้ใช่ไหมแต่พอพอเริ่มเข้าสู่ความเคยชินเนี่ย ตอนตอนที่เริ่มดูลมหายใจแล้วเกิดความคิดขึ้นมามันจะเป็นความคิดแบบยื้อให้ออกจากสมาธิของคุณมันจะสั่งสมความเคยชินมาแบบนั้นนึกออกใช่ไหมอย่า ง, างอย่างเมื่อกี้พอพอเรานั่งตามไปเรื่อยๆคือคือก็ฟังพี่พูดไปเนี่ยเข้าใจนะมันมันมันไม่ไม่ได้ตั้งใจจะวกแวกแต่ว่ามันเป็นความเคยชิน เป็นอำนาจความเคยชินที่สั่งสมมาว่อเกิดความคิดในแบบที่เราเคยชินน่ะที่มันจะคอยยือ้ออาการทางใจมันจะตามไปด้วยลองทบทวนดูนะมันจะมีความคิดแบบหนึ่งขึ้นมาว่าเอ๊ะเกิดความอยากจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บางบางทีมันไม่มีไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าจะคิดเรื่องไหนในขณะนั่งสมาธิแต่ความคิดแบบนั้นมันกลับมามันเกิดขึ้นเอง แล้วก็มีอาการที่ว่าใจเนี่ยถูกลากตามไปเพราะใจถูกลากตามไปเนี่ยคราวนี้มันจะไม่อยู่ล้วมันจะไม่อยากอยู่ต่อไปเนี่ยพอเราดูเท้าดูมือขึ้นมาสบายแล้วแล้วเราเริ่มต้นเข้าสู่การสังเกตลมหายใจจริงๆเนี่ยนะอย่าไปจับอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวใช่ค่ะจะจะจับที่ลมหายใจจั บ, จ บ, จบกังวงเกี่ยกับต้องมาพูดโธพูดโท ร, โทรตลอดเหมือนที่ความเคยชินของเรานะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปไม่ต้องพุทธโธก็ได้ลองสังเกตความอยากมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าพุโทโธแบบของเราเนี่ยมันเป็นพุโทโธในแบบที่ว่าพร้อมจะเคลื่อนไปตามอารมณ์อารมณ์ยื้อให้ออกจากสมาธิคือพุทธโธพุโทโธไปเนี่ย ม, มันมีอาการฝืนฝืนลองสังเกตดูเราถ้าถ้ามันมีความเคยชินที่จะพุโทโธขึ้นมาเองจริงๆเนี่ยก็ให้สังเกตยอย่างนี้ว่า บางพุโทโธมีอารมณ์ฝืนมีอารมณ์ฝืนปนอยู่บางพุโทโธมีอารมณ์เหมือนกับลอยๆหายๆไปนะแต่ถ้ามาใช้วิธีตรงไปตรงมามันจะได้ประโยชน์มากกว่าเวลาที่เราเริ่มสบายแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเมื่อไหลลมเข้าเมื่อไหลลมออกได้เนี่ยให้อาศัยตอนที่ มันรู้สึกถึงลมหายใจนั่นแหละเป็นตัวสังเกตดูว่าอารมณ์ยื้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเงาตามมาหรือเปล่าเข้าใจคําว่าอารมณ์ยื้ใช่ไหมมันยื้ให้ไม่อยากจะดูลมหายใจทั้งๆ ท, ที่เราตั้งใจดูลมหายใจนะ <c oughs> แต่มันก็เหมือนกับมีตัวหนึ่งที่ยื้ไว้ไม่อยากดู <c oughs> อ่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวยื้เนี่ยจําไว้นะเราจะดูตัวนี้นะตัวนี้เป็นโฟกัลนะแลพอ เราเห็นว่าไอ้ตัวยืดเนี่ยมันปรากฏที่ลมหายใจไหนก็สังเกตที่ลมหายใจต่อมาว่าอาการยืดเนี่ยมันมีความฝืนเท่าเดิมนึกเปล่าเท่าหรือไม่เท่าถ้าหากว่าเรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างว่าอารมณ์ยืดมันเบาบางลงหรือแม้กระทั่งอารมณ์ยืดเนี่ยมันจะทวีตัวเข้มข้นขึ้นก็าตามเนี่ยนั่นเราเรียกว่าเป็นการเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ยืด อ, อาการยืด ใจเรามันจะรู้สึกว่าเป็นอิสระจากอาการยื้อขึ้นมาเนี่เหมือนอย่างตอนเนี้ย <Okay. S 1> เห็นไหมที่รู้สึกเหมือนมันมันยังมีวนๆอยู่แต่ว่ารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเพราะพอเราขุดคุยพอเราพูดถึงอารมณ์ยื้อเนี่ยอาการยือ้อใจมันจะนึกออกแล้วมันจะเห็นว่าอาการยื้อเนี่ยมันไม่เท่าเดิมนะเข้าใจหลักการ <Okay. S 1> นะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณ ค, ครับผมครับพี่ตุลสดีครับสวัสดีครับก็คือจะมาเชิญเลยครับเชิญครับปรึกษาพี่ตุล น, นะครับพอดีคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นมีปัญหาทางด้านจิตใจตัวเองตรงที่ว่าเหมือนกบบเราเป็นคนที่เหมือนคิดเหมือนแบบดูคนอื่นไม่ค่อยขึ้นมองคนอื่นแบบเหมือนกับว่าเขาแย่เขาด้อยกว่าเราแล้วก็ เหมือนกับที่ผ่านมาผมจะมีอาการเหมือนกับเวลาเจอต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเราก็จะทําดีกับคนทั่ ว, วไปเพื่อว่าให้เขาชอบเราแต่ในใจเนี่ยลึกๆมันก็จะรู้สึกเราก็เหยียดยามเขาใช้้ไดเราไม่ชอบอเราก็เห็นแต่ข้อเสียของคนนี้ไปหมดเลยอมันก็เลยรู้สึกว่าจิตใจเรามันเหมือนกับเราไม่จริงใจใครเลยเราเสียแซงกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาครับเลย ไม่จิตจิตใจมันนุ่มลวนลงเยอะนะมันเข้าใจธรรมะมันเข้าใจอะไรเยอะเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยเป็นแค่ความเคยชินเก่าๆแต่แต่จิตของเราจริงๆเนี่ยมันมันแยกออกมาเริ่มรู้สึกถึงอาการหันหลังกลับไหมเวลาที่เร า, อ, าอยู่กับตัวเองแล้ว เ, เห็นว่าความคิดของเรามันไม่จริงมันใจเนี่ยมันเหมือนหันหลังกลับ มันไม่ไปทางเดียวกันไกลความคิดแบบแบบเดิมอะแบบเดิมเราดูถูกคนเร า, เาจะรู้สึกเหมือนมีอาการเสแสร้งเหมือนมีอาการที่ว่าใจมันยุ่งยุ่งอยู่มันมันเหมือนคนเถียงกับตัวเองอยู่ครับแต่ใจของเราเนี่ยนะที่มันเป็นเริ่มเริ่มสว่างเริ่มอยู่ในหมดธรรมะเนี่ยมันคล้ายๆจากไม่เอาเหมือนหันหน้าหนีอถ้ามองเป็นภาพทางใจนะครับ คือคืออันนี้มันจะได้พูดกันง่ายว่าอาการของใจของเรากำลังเป็นอย่างไรอยู่อาการอาการทางใจของเรามันเหมือนกับไม่เอากายตัวตนเดิมทั้งทั้งที่ตัวตนเดิมเนี่ยมันยังทำงานอยู่มันยังแอคทีฟอยู่แต่ใจของเราเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มจะแยกไปอีกทางหนึ่งนะให้ดูลักษณะของใจเวลาที่เกิดความพุ่งซ่านในแบบ ที่ไม่ไม่ชอบไม่เอ่อจเรียกว่าไงไม่กลมกลืนไปกับชาวโลกเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกยุ่งยุ่งยุ่งใจมันมีความรู้สึกเหมือนกับกระวนกระวายใจไม่อยากเป็นพวกเดียวกันกับคนในโลกคาว่าไม่อยากเป็นพวกเดียวกันกับคนในโลก พอควานึกออกไมครัมันเหมือนเราเป็นเอเลี่ยนอะไรมันเหมือนลงมามันชอบคิดมาตั้งแต่เด็กๆตอนเกิดมาว่าเราเป็นคนพิเศษคือเราเกิดมาเหมือนกับเราสื่อว่าเราเป็นคนเดียวในโลกนี้อืแล้วคนอื่นเป็นแค่เป็นอีกตัวละครเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนเหมือนเราอย่างเงี้ยครับทีนี้ทีนี้พอเนี่ยอย่างในช่วงเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นคนธรรมดามากขึ้นครับคือไม่ได้ตลอดเวลานะอืแต่ขอให้สังเกต คือคือเริ่มต้นขึ้นมาอย่าอมองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นได้ยังไงเพราะถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะต้องหาอุบายซับซ้อนหรือไม่ก็ต้องหาหลักการทางจิตวิทยาจะทำยังไงไอ้วิธีคิดของเราถึงจะได้ปรับเปลี่ยนไปในในทางที่เป็นบวกมากขึ้นครับซึ่งมันกินเวลาแล้วก็ไม่ ม, มีอะไรเป็นประกัน ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้จริงหรือเปล่าอเราก็พยายามคิดอะไรมาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมแต่มันมันไม่เห็นมันไม่หายเออมันไม่หายไปไหนนี่ถ้าหากว่าเอาวิธีการของพระพุทธเจ้าคือเราตั้งมุมมองไว้ก่อนที่จุด เ, เริ่มต้นว่าความคิดความฟุ้งซ่านหรืออาการปรุงแต่งของใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่ตัวตนครับคือถ้าตั้งมุมมองไว้อย่างนี้เนี่ยมันได้แก่นสารคือมันได้หลักการปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่แลครั้งที่น้องยุ่งรู้สึกยุ่งยุ่งขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมารู้รู้สึกแปลกแยกขึ้นมาให้ดูว่าอาการแปลกแยกหรืออารมณ์ที่มันปั่นป่วนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งชั่วขณะหนึ่งอย่างอย่างเนี่ยพอเราคุยกันไปมากๆเนี่ยน้องเกิดความรู้สึกว่าเออไอไ อ, ไอที่มันเคยยุ่งยุ่งใจอยู่ มันเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่มันหายไปหายไปชั่วคราวนะครับนี่อย่างตอนนี้มันโล่งๆมันมันรู้สึกว่าไม่มีความปรุงแต่งแบบเดิมๆอยู่นี่แค่เราสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่มันถูกปรุงแต่งด้วยความฟุ้งซ่านยุ่งยุ่งเหยิงแล้วก็เป็นคนละพวกกับชาวโลกนะกับจิตที่มันสงบระ ง, งับแบบนี้ เราสังเกตเห็นความแตกต่างของมันได้แค่นี้คือหลักการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเราแล้วไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยพูด ง, ง่ายๆว่าต่อไปเราเจอกับผู้คนเมื่เกิดความรู้สึกวุ่นๆุ่นขึ้นมาเหมือนของน้องนี่มันจะเหมือนกับพายุอ่ะพายุที่มันก่อตัวขึ้นมาในหัวครับแล้วเรารู้สึกลาคาญมันรเรารู้สึกสับสนครัรา ม, มันเหมือนกับ เป็นตัวเราจริงๆแต่อีกใจหนึ่งรู้สึกว่าไม่อยากเป็นตัวนั้นเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยพอมันเกิดขึ้นเราแค่ทำ ใ, ในใจว่านี่คือความปรุงแต่งทางใจที่เกิดขึ้นชั่วขณะลมหายใจนี้อพอเราได้ไดหลักในการมองปุ๊บเนี่ยเราก็จะสังเกตต่อว่าลมหายใจต่อมา คลื่นความพุ่งซ่านพายุความปั่นป่วนตรงนี้เนี่ยมันเบาบางลงไหมถ้ามันก่อตัวขึ้นหนาแน่นขึ้นช่างมันเราแค่มีหน้าที่รับรู้และยอมรับความจริงที่มันปรากฏอยู่ในหัวของเราเท่านั้นถ้าหากมองด้วยอาการเปรียบเทียมแบบนี้นะมันมันเบาบางลงในแต่ละลมหายใจหรือว่ามันมีความหนาแน่นขึ้นในแต่ละลมหายใจที่มันผ่านไป มันจะเกิดความเคยชินใหม่มคือไม่ต้องทะเลาะ ก, กับตัวเองที่ผ่านมามันเหมือนเราเถียงคือคล้ายๆภาพทางใจเหมือนเหมือนมีคนที่กำลังเกลียดตัวเองใช่กเกลียดตัวเองแ ล, แล้วก็ทะเลาะ ก, กับตัวเองมันชอบด่าคนอื่นในใจนั่นแหละด่าพระด่าคือแม้กระทั่งด่าพระนะฟังดีๆนะเป็นอารมณ์ของอนัตตาที่ดีเลยนะ ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องดีที่ที่ทมีความคิดด่าพระขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่อนัตตาโชว์ตัวออกมาอย่างชัดเจนเพราะใจจริงๆของเราไม่ได้ตั้งใจด่าพระ <c oughs> คือมั น, มนด่าคนไม่ดีตัางหากนะที่มานุ่งเหลืองเหลือ ง, ห, องห่มเหลืองหรือว่าเห็นอะไร<า>อ่ามันด่าคนไม่รู้จักตรงนก็ด่าอ่าเนีน่ย <c oughs> คือคือ คือให้ให้มองว่าเวลาที่อนัตตาบันโชตัวขึ้นมาเนี่ย เ, เราจะไม่เข้าไปผสมรงกับมันไม่เข้าไปให้ความร่วมมือกับมันนะโดยการนี่ว่าเออยิ่งดาหนาขึ้นหรือว่ามีอาการคิดไม่ดีมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ไปฝืนไม่ไปต่อต้านให้มีอารมณ์แบบหนึง่งที่มันเป็นพ s สซีฟคือยอมรับสภาพว่ามันเกิดขึ้นในหัวเราจริงๆมันจะได้เห็นไง ว่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทั้งๆที่เราไม่ได้สั่งให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าไอ้คำด่าตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไปเกิดความรู้สึกแย่ไปเกิดความรู้สึกฝืนไปเกิดความรู้สึกทรมานทรมานใจไอ้ความทรมานใจนั้นมันจะไปบดบังความจริงที่ว่าความคิดคาด่าอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในหัวมันเสียไปเปล่าๆอนัตตาเสียไปเปล่าๆ แต่ถ้าคำดา่ามันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับในเบื้องต้นว่าเออมันเกิดขึ้นในหัวของเรามันมีโอกาสได้ดูดูณนะจุดเกิดเหตุเลยว่าคำดา่าเกิดขึ้นในหัวของเรายิ่งเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่มันยิ่งได้เห็นชัดมากขึ้นเท่านั้นว่าไอ้ตอนที่มาเนี่ยเราไม่ได้เชื้อเชิญเราไม่ได้ตั้งใจคิดแบบนี้เลยแต่มันผุดขึ้นมาเองแล้วพอมันเห็นว่าผุดขึ้นมาเอง มันจะแสดงอาการสลายตัวไปเองเช่นกันพอเห็นบ่อยเข้านะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยใจมันจะแยกออกมาจากคําด่ามันจะไม่เชื่อว่าคําด่านั้นเป็นตัวเราอีกต่อไปเห็นไหมคือบางทีนะถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงทางทางจิตเนี่ยบางทีมันยากมากที่จะพูดว่าจิตของเรากําลังหลงสําคัญผิดยึดติดกับไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่พอมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาชัดๆ ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ mm hmm. เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วหายไปเองเนี่ยมันมันจะได้ตัวอย่างชัดๆเลยว่านี่อ น, นัตตาจริงๆครับ mm hmm. ไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วย mm hmm. นะก็สรุปก็คือว่าเอตรงที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันดับแรกทิศทางของจิตเรามันดีอยู่แล้วอันดับที่สองคือเราต้องมองให้ถูกยอมรับให้เป็น แล้วก็ออไอ้ที่บางทีของเราอะ่ะมันจะมีของแถมด้วยคล้ายๆบางทีมันมีเหมือนเสียงสั่งอยู่ในหัวเสียงสั่งที่มันเป็นลบอะ่ะเสียงสั่งว่าให้ทํานั่นทนํานี่ในแบบที่คือคล้ายๆคําวงการครั บ, รบนึกออกไหมเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนตอนตอนที่เราจะก่อนนอนหรือว่าเคร่อเคลิ้มอะไรไปเนี่ยมันมีเหมือนเสียงบงการขึ้นมา อย่าอย่าไปคือแล้วพอมันมีเสียงวงการอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีมันจะมีภาพทางใจขึ้นมามีมนุภาพของตัวเราเองที่มันเหมือนปีศาจ <c oughs> อ่านะนะคือ <c oughs> ลักษณะตรงนี้เนี่ยเป็นความปรุงแต่งจิตชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากความเกลียดตัวเองนั่นแหละมั น, มนก่อตัวขึ้นมาจากความเกลียดตัวเองมันไม่ใชี้ผีสางอะไรที่ไหนมันเกิดจากที่เราชอบดูถูกคนอื่นนะครับเพราะ ก็ <Comment. S 2> เหมือนกับตรงดูถูกกันอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นบันไดขั้นแรกแต่ที่เราเกลียดตัวเองนังหกักที่เราไม่ชอบไอ้ภาวะที่มันเป็นอกุศลเนื่องอย่างว่าตอนเนี้ยคือใจพื้นเดิมของเราเป็นกุศลนะ เ, เริ่มก่อนที่จะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเป็นอกุศลมั่วซั่วเนี่ยจิตทุกคนเนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาด้วยกุศลธรรม แล้าตัวเราเองเนี่ยเราก็สั่งสมอะไรมาพอสมควรอันนี้พ อ, อ, อมันเหมือนกับมีอีกภาคหนึ่งมารบกวนมากๆแล้วมันมีกำลังมากขึ้นมันก็เหมือนไอ้ส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยมันเกลียดมันเกลียดส่วนที่มันเป็นมืดๆที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไอ้เสียงสั่งอะไรต่างๆหรือว่าคือมันเป็นคำอะไรสั้นๆหรือว่า คล้ายๆว่ามีการอาการโหกขึ้นมานะมีการแยกเขี่ยวขึ้นมาของปีศาจอะไรแบบนี้นมันก็คือการสัมเดงตัวของไออาการปรุงแต่งที่เป็นอกุศลธรรมซึ่งตอนนี้มันครอบงำไปทั่วโลกเลยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าของเราไม่หลงตามมันคือเราจะรู้สึก<ะ>ว่าอยากหันหลังกลับแต่ไม่ไม่มันทรมานใจอยู่อาการที่ว่าไม่รู้จะหันหลังกลับมายัางไง คือของเราเนี่ยอยากให้มันหายไปทันทีเดี๋ยวนั้นแล้วไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกเลยตัวนี้แหละตัวทรมานใจแบบนี้แหละที่มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้ความคิดแบบนั้นเนี่ยมันกลับมาไม่เลิกแต่ถ้าเอาตามที่พี่บอกเนี่ยคือเริ่มต้นจากมุมมองใหม่หมดเลยนี่มันไม่ใช่ตัวตนตทุกครั้งที่มันกลับมาให้ยอมรับว่ามันกลับมามันเกิดขึ้นในหัวเราจริงๆ มันจะได้มีโอกาสเห็นไงว่าเออถ้ามาเองมันก็ไปเองได้แล้วพอเห็นว่ามาเองไปเองบ่อยๆจิตมันจะถอนออกมาจากอาการยึดมั่นว่านั่นนะ่ะเป็นตัวเราเข้าใจนะคือจ ะ, จ ะ, จ, ะจะถามเพิ่มนิดนึงครับคือเหมือนกับว่าเหมือนอย่างเหมือนผมเป็นคนเหมือนกับว่าเหมือนมายาเสแสร้งอะครับเหมือนบางทีทำตัวท่านสงศาร ให้คนอื่นเขาเหมือนกับเห็นใจเราแต่ว่าจริงๆลึกๆเราก็คิดว่าไอ้กูดีกูเก่งกูไม่ไม่หนี้หรอกใครสอนเราผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าสํานึกว่าเฮ้ยเขาเวลาเขาเตือนเราเราก็าจะโดนถูกด้วยว่าเออหลอกเขาได้ใช่หลอกเขาด้วยทําทําตัวหน้าสงสารแล้วพอเขาสงสารปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกดีเขามันกลายเป็นผมไม่ได้เห็นโทษของสิ่งที่เขาเตือนเราผมกับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆลึกๆกูดีกูเก่งอ่ะ เออก็คืออยากให้พี่ตุลนแบบไม่ต้องรักษ า, าใจผมอะคือพูดเลยพูดได้เลยครับคือไม่อยากเสียเวลาก็อยากจะแก้ไขตัวเองคือ <c oughs> ของเราเนี่ยนะ <c oughs> อย่างอย่างจิตที่มันมีอารมณ์แบบที่เราเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่กันคนสองคนนะ <c oughs> พี่เจอมานี่เ ย, ยอะมากครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความทนงมีความ คือมันพอกอัตราอะไรแบบหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับดาราทุกตาทองที่สามารถจะหลอกคนได้เนี่ยสะใจมากหลอกให้คนสงสารได้หลอกให้คนรู้สึกว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เสร็จแล้วไม่ได้เป็นอีกเรื่องต่อมานี่กลายเป็นอีกอย่างบางคนเนี่ย เ, เรื่องหนึ่งเป็นพระอีกเรื่องหนึ่งเป็นมหาโจรอะไรแบบนี้มีความรู้สึกสะใจมากที่สามารถหลอกคนได้นะพูดง่ายๆมันมีเชื้อของดาราอยู่ ไปเป็นดาราอาจจะดังเขาได้ไใช่ๆๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วจิตมันมีอาการปรุงแต่งไปได้สารพัดครับแต่การที่เราสามารถเห็นโทษว่าเนี่ยเป็นอกุศลธรรมนี่คือตัวตั้งที่ดีที่สุดอยู่แล้วคือมันไม่ต้องอาศัยว่าพี่จะต้องไปพูดกระตุ้นเรายังไงหรือว่าเตือนเราแรงๆอย่างไงนะเอาแค่ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นอกุศลธรรม แล้วเราอยากจะหันหลังหนีอยู่แล้วเนี่ยมันเพียงพอเพียงแต่ว่าร อ, อขั้นตอนที่มันถูกต้องนั่นก็คือการเจรเดินสติสามารถยอมรับตามจริงได้เป็นลาดับนะว่าไอ้ตรงนี้อกุศลธรรมเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วลมหายใจต่อมามันต่างไปยังไงแค่เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่พี่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละ ค, คือการถอนอยู่แล้วอย่าง อย่างอย่างดูสภาพของใจตัวเองนะมันจะมีลักษณะหนึ่งคือคือที่ผ่านมามันมันรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าเออมันเป็นมันเป็นคนแบบนี้แต่มันจะมีใจอยู่ลึกๆนะที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นพวกเดียวกับมันถ้าเพรพถ้า เป็นพวกเดียวกันประมานเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่พูดออกมาอย่างนี้หรอกไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันพูดออกมาจากอีกความรู้สึกหนึ่งที่ อ, อมันไม่ได้รังเกียจตัวเองแต่มันรังเกียจอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆผมไม่ได้เห็นตัวเองทั้งหมดแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมีคนที่เขาสามารถเหมือนเห็นผมเป็นอย่างเงี้ยเขาก็คอยตําหนิคอยว่าเราเรื่อยๆซึ่งบาง<อ>ทีมันไม่มีประโยชน์นะเพราะมันเคยชินมันดื้อยา เราเราอย่าเ <ทำ S 2> อาคำตำมีเเป็นลสลดไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> คือมันมันเริ่มดื้อยาค<ช>แต่แต่ถ้าเรามีความเต็มใจที่จะเอาวิธีการไปเจริญสติจริงจริงเนี่ยไอ้นี่แหละคือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงออกมาจากการแกล้งทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงออกมาจากอาการที่ว่าเราจะไปฝืนบังคับตัวเองให้เป็นยังไงแต่เปลี่ยนแปลงจากการที่เราสามารถยอมรับ ว่ า, ากุศลธรรมเกิดขึ้นและกุศลธรรมนั้นหายไปหรือลดระดับลงนะนกระทั่งมันมีสติสิ่งที่เรียกว่าสติเราจะเข้าใจจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่สติรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่แต่เป็นสติเห็นว่าอากุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วมันหายไปได้คือตรงนี้ไงที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าหากว่าเราสามารถเห็นกุศลธรรมสามารถยอมรับ ตามจริงว่าอกุศลธรรมเกิดแล้วเห็นว่ากุศลธรรมนั้นมันค่อยๆหายไปในแต่ละลมหายใจมันไม่เท่าเดิมเนี่ยมันน่ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราฝึกเจริญสติในแนวทางแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจปลอยนะครับเข้าใจครับหมดแลเขียนว่าคือตอนแรกๆเนี่ยนะตอนที่พี่พูดถึงว่าเ อ, อ จิตของเราเหมือนมีพายุพุ่งพุงยุ่งย่งอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นช่วงๆที่มันมืดๆขึ้นมาแต่อย่างตอนเนี้ยมันเคลียร์ไปคือคือมันไม่ใช่เคลียร์แล้วเคลียร์เลยมันจะกลับมาเป็นวุ๊บๆได้อีกนะให้สังเกตแค่ตรงเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆมีความสามารถในการยอมรับตามจริงว่าอากุศลทําเกิดขึ้นอกุศลทําหายไป แล้วก็พอตอนที่มันเคลียร์จริงๆเนี่ยให้สังเกตว่าเคลียร์เพราะเรายอมรับตามจริงไม่ใช่เคลียร์เพราะว่าเราแกล้งฝืนหรือว่าแสดงแอคชั่นนะไม่ไม่ได้เข้าฉากแอคชั่นแบบเดิมๆนะมันกลายเป็นมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันแตกต่างไปคือมันมีสภาพยอมรับอากุศลธรรมไม่ใช่ไปเถียงกับมันหรือว่าไม่ใช่ไปเข้าร่วมมือกับมัน นะครับโอเคขอบคุณครับพี่ตุลสวัสดีค่ะคุณดัตินค่ะก็ขอคำแนะนำด้วยค่ะอืมสั้นมากเลยนะเนี่ยำ <c oughs> คำถาม <c oughs> มันค่ะ <c oughs> เอาเอาสักคำถามเล็กๆนะ <c oughs> <ย>เดี๋ยวออกรายการไปคนเขาจะงงเอาแ <c oughs> ค่ในคำถามมันก็แบบพุงฟงแล้วอะค่ะ วนไปวนมาอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าเมื่อกี้นั่งสมาธิว่าพอไปนั่งต่ะที่บ้านได้หรือเปล่าอย่างนี้นก็ได้ค่ะได้เอาไปปฏิบัติเพิ่มอย่างตอนที่น้องเกิดความรู้สึกฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกไหมเป็นคนย้อนคิดไปคิดมาค่ะเห็นค่ะคิดแบบย้อนไปย้อนมานะตกลงกับตัวเองไปแล้วเสร็จแล้วมันก็เออมา กลับลำซะอย่างนั้นเนี่ยเออบางทีเนี่ยรู้สึกเหมือนกับสบายใจแล้วตัดสินใจแล้วพออีกแป๊บหนึง่งมันกลับมาคิดใหม่อีกแล้ว ม, มันเหมือ น, นมีอาการาวน loop แล้วไม่ออกจากตรงนี้สักทีคือเวลาที่กลับมาคิดใหม่เนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนกับออยอมไม่ได้มันมันยอมยอมเลิกคิดไม่ได้นะแต่เวลาที่ปลอดโปรง่งอย่างเวลาที่ เรานั่งคุยอยู่กับเพียงเงี้ยหรือว่าตอนที่เราทํามสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งคือมันไม่ได้คิดย้อนไปย้อนมาแต่มันมีความรู้สึกว่าปล่อยมันไปเถอะเข้าใจอดอมที่แตกต่างกันไหมของะะเรามันเหมือนกับมีอ อ, อันนี้คือพูดให้เห็นเป็นภาพง่ายง่า ย, าย ค, คือไม่ใช่อจะเนี่จะใช้คําให้มันง่ายๆมันมันเหมือน มีอารมณ์หนึ่งเป็นเด็กไม่ยอมโตแต่อีกอารมณ์หนึ่งนะมันเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจอะไรทั้งหมดคือแล้วก็ปล่อยได้ตอนที่มันมีความรู้สึกปลอดโปร่งตอนที่หัวมันโล่งๆอะ่ะมันเหมือนกับไม่ต้องเอาอะไรมากนะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากก็ได้ไม่ต้องไปดึงดันเอาอะไรกับใครก็ได้แต่ตอนที่มันมีความวุ่นวายมีความว้าวุ่นอยู่ในหัว มันเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งค่ะเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มตั้งมุมมองใหม่ว่านี่มันไม่ใช่ภาวะของบุคคลแต่เป็นภาวะของจิตเป็นอาการทางจิตที่บางครั้งมันก็ว้าวุ่นบางครั้งมันก็ปลอดโปร่งแลวเวลาที่ปลอดโปร่งกับเวลาที่ว้าวุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชิ่นเชิงตัวเนี่ย มันจะทำให้เรามองเข้ามาในตัวเองด้วยอีกความรู้สึกหนึ่งว่าที่นึกว่าเป็นตัวเองมันไม่มีมันมีแต่ภาวะจิตแบบหนึ่งภาวะจิตแบบเด็กไม่ยอมตัวกัแบบภาวะจิตที่เออมันเป็นผู้ใหญ่รู้จักที่จะปล่อยวางอะไรรู้จักที่จะมีเหตุมีผลเมื่อไหร่ที่มันเกิดภาวะแบบ เด็กไม่ยอมตัวขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยมันจะปฏิบัติยากเพราะว่าใจมันจะไม่ยอมมันมันมันมีคำว่าไม่ยอมเกาะติดอยู่ในหัวไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราคิดเนี่ยเราจะต้องเศษมันอ่ะเหมือนแบบเวลามันวนลูปเนี่ยมันงงงงมันเหมือนแบบมันเหมือนอยู่ในฝันมืดหรือใช่อนนั้นเนี่ยที่ที่พี่บอกที่พี่บอกว่าเป็นอารมณ์เดียวกับเด็กไม่ยอมตัว ือมันจะเอาให้ได้ทั้งๆ ท, ที่ตอนจิตปลอดปลงเนี่ยมันตกลงใจไปแล้วอย่างหนึ่งพอไอเด็กไม่ยอมตัวนี่มันกลับเข้ามาเนี่ยมันมันไปรื้อใหม่หมดเลยน ะ, ะเหมือนเหมือนกับอาการของคนผิดสัญญาเหมือนคนเบี้ยวแต่อันนี้เป็นเบี้ยวตัวเองตกลงกับตัวเองไว้แล้วอย่างหนึ่งมันไม่ยอมทำตามแต่นนี้พอหลังจากนี้เนี่ยพอเราคุยกัน เพื่อให้น้องเห็นภาพภาพรวมเนี่ยที่มันแตกต่างกันระหว่างจิตแบบหนึ่งกับจิตอีกแบบหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปสังเกตได้ไ ด, ด้วยตัวเองแล้วว่าณเวลาที่มันเกิดความวาวุ่นขึ้นมาเขาเรียกว่าเด็กไม่ยอมโตณ<ฮ>เวลาที่มันรู้สึกเบาๆสบายสบายขึ้นมาเหมือนใคล้ายๆแบบเนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักเขตรู้จักผล พอเห็นความต่างได้เรื่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยตกเราตกลงเนี่ยเราไม่ใช่จิตแบบใดแบบหนึ่งไม่ใช่ทั้งเด็กไม่ยอมโตแล้วก็ไม่ใช่ทั้งผู้ใหญ่ที่มันมีเหตุผลแต่เป็นแค่ศูนย์รวมของความเข้าใจผิดว่าตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นเราคือแค่เห็นแค่เนี้นะเห็นว่า จิตแบบหนึ่งมันเกิดขึ้นยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจิตแบบหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าจิตแบบที่มันมืดมืดตอนที่มันยื้ยืเนี่ยนะมันเป็นอกุศลธรรมจิตแบบหนึ่งตอนที่มันโล่งตอนที่มันมีเหตุมีผลเป็นกุศลธรรมมันจะเริ่มเห็นว่ากุศลธรรมดีกว่า แต่เราไปสั่งมันไม่ได้นะว่าจงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราแค่สอนจิตให้เห็นว่าเออเนี่ยตอนมืดมันเป็นอย่างหนึ่งตอนสว่างมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วจิตจะฉลาดขึ้นเองเข้าใจที่พี่พูด า, าใจคือคือมันไม่ใช่ว่าไปตั้งความปรารถนาว่าจงเกิดกุศลธรรมจงเกิดกุศลจิตยอยู่ตลอดเวลาแต่ จิตมันจะค่อยๆมีความโน้มเอียงเข้าไปหาจิตที่เป็นกุศลธรรมเองหลังจากเห็นแล้วว่าจิตแบบหนึ่งบังคับไม่ได้จิตแบบหนึ่งก็บังคับไม่ได้เช่นกันแต่จิตแบบที่มันสว่างจิตที่มันมีเหตุมีผลเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามันให้ความรู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยปร่งโล่งอย่างเงี้ยมันสามารถทําอะไรทีเ่เป็นเหตุเป็นผลได้จริงไม่ใช่จะดึงดัน ลากลงไปที่ไหนก็ไม่รู้แหนะเหมือนจิตอีกแบบที่มันเป็นจิตแบบเด็กไม่ยอมตัวเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการค่อยๆทําความรู้จักกับจิตที่เกิดขึ้นในเราจริงๆทั้ง2แบบอย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมายอมรับทั้งคู่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งว่าไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ตัวเราทั้งคู่นะน แล้วพอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราทั้งคู่เนี่ยมันจะฉลาดเลือกขึ้นมาเองว่าเอาไอ้ที่มันสว่างดีกว่าเอาไอ้ที่มันปลอดโปร่งมีเหตุผลดีกว่าเข้าใจพอยนะอ่าส่วนไอ้เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราทามสมาธิไปเนี่ยที่เรารู้สึกเออมันสว่างเหมือนกับมีอะไรเกินๆออกมาเนี่ยนะรู้สึกเหมือนสบายเหมือนเบานั่นเป็นเพราะว่าจิตมันมีความมันอยู่ในสภาพที่ ไม่มีอารมณ์อยากไม่มีอารมณ์ฝืนถามว่าเอากลับไปทำต่อได้เนี่ยมันตอบตัวเองได้อยู่แล้วอนี้มั น, นเจีง<ด>แล้วลน ะ, ค, ะนะคือก็เนี่ยค่ะอยากจะมาถามอยากจะได้ไปปฏิบัติต่อนะคะถ้าถ้าลืมที่ว่าพี่ไกไว้ยังไงเนี่ยก็กลับไปดูใหม่ไปฟังใหม่อีกทีก็ได้เอาไว้ที่ s a u c l o u d c o m d a n g p r i n นะ มันจะมีฝ่ายทั้งแผ่เมตตาทาสมาธิแล้วก็เดินจงกลมอยู่แเมื่อกี้ส่วนหนึ่งที่มันทำได้ดีก็เพราะว่ามันตั้งใจมาอยู่แล้ว ค, คือตอนที่มันปลอดโปร่งตอนที่มันสว่างตอนนั้นจิตมันเป็นมหากุศลจิตคือเป็นถ้าถ้าเอาไปทำต่ออีกสักนิดนึงมันมันก็จะพัฒนาแล้วก็จะ กระแสมันจะรวมได้หนักแน่นขึ้นคือเมื่อกี้มันมันเบามันสบายไปเนี่ย อ, อ, อย่าไปคาดหวังว่าพอทําแล้วเนี่ยมันจะต้องได้แบบนี้ทุกครั้งแต่คาดหวังว่าเราจะทําต้นเหตุมาตามลําดับทุกครั้งส่วนมันจะสว่างหรือมันจะมืดช่างมันนะสงสัยว่าตอนที่สว่างนี่คือตอนที่เรารู้สึกว่ามันสว่างด้านหน้าเนี่ยหรอคะที่ที่มัน เ, เหมือนมีแสงอะไรเกินๆออกมานั่นสิอนนนชอบ ด, อนนดูด้วยค่ะ บางทีก็รู้สึกว่าอันนั้ น, นเป็นอโอภาษอย่างหนึ่งแ ต, แต่เป็นโอภาษ์อ่อนๆถ้าเป็นโอภาษ์อย่างใหญ่นะโอ้มันจะเหมือนกับพาะคิดมาสว่างต่อหน้าเลยอ๋อค่ะแต่อย่าไปติดใจมันเพราะพอติดใจมันปุ๊บเราจะพยายาม Co อปปี้มันทันทีแล้วก็พอ Copy ี <c oughs> พอพยายาม Co อปปี้ทุกครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกัเริ่มต้นขึ้นมาด้วยอาการอยากทุกครั้งตัวอาการอยากนั่นแหละมันเป็นม่านบดบงังมันไม่ใช่ตัวเปิดม่านออกนะ จก็ยังมีสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคือเหมือนกับเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่า อ, อ ม, มันเห็นความสุขแว บ, บนึ่งอะฮะแล้วก็หายไปมันเหมือนมีปิติแล้วอาจจะมีสุขแล้วก็หายไปแล้วก็มันก็นิ่งอันนั้น <S <S 2> <S 2> เป็นช่วงเว้นบักของอออความพุ่งสั้นไงแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ย ม, ม, มันได้นานกว่าเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเราเราไล่ขึ้นมามันมีฐานของสมาธิจิตที่ดีคือร่างกาย มันมันไม่เกรงมันไม่กวัดแก่งแล้วเราลองดูไอ้ตอนที่มันมีความฟุ้งท่านหยาดจัดเนี่ยร่างกายมันจะเกรงไปหมดเลยมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรไปอัดแน่น อ, อยู่ ใ, ในร่างกายทําให้อึดอัดเท้าเกรงจริงๆอะค่ะคือพอฟังคนดังเตือนแล้วไปสังเกตที่บ้านเนี่ยทําอะไรก็แบบรู้สึกเท้าเกรงได้บ่อยอขึ้นอืบางทีตื่นนอนมามือกําแบบแน่นแต่ว่าอาการยึดอาการยึดมั่นนะแต่ทีนี้พอไปฝึกสมาธิ ไปทำอนาปนานสติแบบนี้เนี่ยมันจะมีความท่าทันเร็วขึ้นเพราะว่ามีทุนอยู่ไง ม, มันได้สังเกตตอนที่กำลังสบายอยู่นะพอตอนเผชิญกับสถานการณ์ลาบากซึ่งคนปกติมันจะหลุดไปเลยสติมันจะหายไปเลยเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์เหมือนกับว่าเอ๊ะเราเคยผ่านเอ่อารมณ์แบบนี้มาก่อน อารมณ์ที่มันจะยื้อออกไปอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ที่มันมีความสับสนโรมานอยู่ในหัวของเราเนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วในการฝึกอนาปานาสติเหมือนกันพอไปเผชิญกับสถา น, นาการณ์ในชีวิตประจำวันมันก็เลยเหมือนกับเออเคยผ่านมาก่อนแล้วก็มีทุนที่จะไปสู้กับมันนะโอเคจ้ะคนค่ะวันนี้ค่ะคือ เหมือนกับว่าล้างลาการปฏิบัติมานานนะคะแล้วก็อยากจะกลับไปปฏิบัติใหม่แต่พอจะไปปฏิบัติอะไรก็จะเริ่มเพ่งแล้วก็ไปอยากได้เหมือนเหมือนที่เคยปฏิบัติมาก็นั่งอะไรก็จะเพ่งเพ่งเสร็จก็จะอยากให้จิตรวมเหมือนกับว่าอยากได้แบบนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เลยไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันเป็นความไม่ได้อย่างใจ นะน้องลองดูตรงนี้มันจุดที่เราจะรู้สึกถึงภาวะปรุงแต่งทางใจได้ง่ายเนี่ยในตัวเราเลยนะคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องมาจเจริญสติมาทำสมาธิอะไรเนี่ยแต่พอมันไม่ได้อย่างใจปุ๊บแมมันจะเป็นคุณนูเจ้าอารมณ์นะว่ามันจะพร้อมจะสะบัดสะบัดหน้าหนีพร้อมที่จะคือทิ้งอะไรกลางคันได้อย่างเงี้ย พอเราสั่งสมนิสัยมาแบบไหนอาการทางใจมันจะปรากฏชัดในขณะที่เรามาฝึกสมาธิหรือมาเจริญส ต, ติอย่างของน้องเนี่ยที่จะเห็นได้บ่อยที่สุดนะคือรู้สึกว่ายากนิดนึงเนี่ยมันรู้สึกไม่เอาละมันจะมีอาการว่าไม่เอาแล้วตัวไม่เอาแล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นในหัวนะน้องแค่เริ่มเริ่มหัดที่จะยอมรับมันไม่เคยไง มันไม่เคยหาที่จะยอมรับว่าเนี่ยมีคํานี้ขึ้นมาในหัวบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยพอคราวต่อไปมีอารมณ์ประมาณว่าไม่เอาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําสมาธิอยู่หรือว่าอยู่ในชีวิตประจําวันก็ตามเนี่ยนะเราจะเห็นอารมณ์แบบหนึ่งคืออารมณ์แบบแบบชอบทิ้งคว้างชอบหยุดกลางพันชอบที่จะ เ, เหมือนกับ เหมือนกับตอนเราเรานึกถึงตอนตอนเป็นเด็กเียเวลาเราเล่นอะไรแล้วเรารู้สึกไม่ชอบใจเราก็จะหันหลังหนีไปเลยนี้ยัางพอเราโตขึ้นมาทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการงานอะไรต่างๆมันมันสอนเราให้เราฝืนใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบีบบังคับเราได้มันมีอำนาจเหนือชีวิตเราเราก็จำเป็นที่จะต้องอยู่กับมันต่อทั้งๆ ท, ที่ใจเนี่ยมันไม่เอาแล้ว ขอให้น้องดูว่าตอนที่เราจําเป็นต้องฝืนใจอยู่กับอะไรไปจนจบนะมันจะมีความรู้สึกอึดอัดมันจะมีความรู้สึกฟุ้งซ่านกังวลกังวายอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราต้องอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ด้วยอารมณ์แบบนั้นเนี่ยคือเนื้อตัวเราเนี่ยมันจะนิ่งนะแต่นิ่งอยู่ในอาการของหุ่นหุ่นดินเหนียวอะที่มันฝืนไว้มันกดไว้ แล้วเราจะเกลียดอาการแบบนั้นที่สุดเลยย่ารู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยมันทำไมชีวิตของเราจะต้องมาเจอกับอะไรบีบบังคับอย่างนี้ด้วยที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อให้ระลึกว่ามันเกิดไม่ใช่ให้สำนึกตัวนะแต่ว่าให้เกิดการระลึกว่ามันเกิดภาวะต่างๆตามที่พี่พูดมาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหาก ฟ, ฟังที่พูดได้เนี่ยก็แปลว่าเราสามารถไปสังเกตดูได้ด้วยตัวเองเช่นกันเนี่ยไอ้ภาวะที่ว่าเราเกรงไปทั้งตัวนะเวลาที่ต้องฝืนใจอยู่กับอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยอ่าเข้าใจพี่เข้าใจนะเออไม่เป็นไรคือพอเรามีความรู้สึกอึดอัดมันมันมันเหมือนมีแรงกดดันจากโลกทั้งใบพอเดิมทีเนี่ย มันเหมือนเราไม่ต้องถูกกดดันอะไรมากแต่พอมันเริ่มชีวิตมันเริ่มต่างไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามีอายุมากขึ้นมันยิ่งกว่านี้อีกไอนี่คือโลกค่อยๆให้บทเรียนก็เรามาที่ระบท2บทแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหมันเครียดนะที่จะต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่ว่าเราต้องทำต่อให้จบเราต้องเดินหน้าต่อไปทั้งๆ ท, ท, ที่มันอยากจะอยู่เทินแล้ว อยากจะแบบอารมณ์กุนหนะไม่เอาแล้วอยากจะทิ้งตัวนี้ถ้าเรา เ, เหมือนกับไม่มีทางออกให้ตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนกับอยากเป็นบ้าขึ้นมาสักวันหนึ่งแต่ถ้าเราแค่สังเกตตามที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีอาการแบบนี้อารมณ์แบบไม่เอาแล้วมันจะเกิดขึ้นมาข้างในเป็นความปรุงแต่งทางใจที่อยากจะหันหลังหนีซึ่งถ้าหากว่า มันหันหลังได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเกรงใจคนที่อยู่ข้างหน้ามันก็ดีไปมันก็เหมือนกับเราทำสำเร็จแต่ถ้าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่อะไรที่เราจะทิ้งมาได้ง่ายๆมันก็จะมีอาการฝืนอย่างที่พี่พูดเนะี่ว่ามันจะเริ่มเริ่มจากอาการที่ว่าฟุ้งซ่านกวนกวายขึ้นมาแต่ข้างนอกเนี่ยเราต้องทำเป็นนิ่งเราเห็นถ้าเห็นอาการแบบนั้นได้ มันก็คือเห็นตามจริงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะทางกายสภาวะทางจิตนี่อย่างตอนนี้รู้สึกเบาขึ้นมามันไม่ใช่ได้ระบายออกมาอย่างเดียวนะแต่เนื้อตัวมันเบาขึ้นเพราะเพราะเราได้จุดสังเกตเออจริงๆเราเห็นแค่นี้ก็ได้ยอมรับตามจริงว่ามันมีความพุ้งสัน้นปั่นป่วนมีอาการรู้สึกกดดันเก็บกดแล้วก็ต้องบังคับตัวเองให้นิ่ง พอเราเห็นมันก็จะได้รู้สึกว่านี่เป็นภาวะทางกายชั่วคราวนี่เป็นแค่ภาวะทางใจชั่วคราวทุกอย่างที่มันปรากฏเนี่ยมันชั่วคราวหมดแล้วพอเห็นเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับไม่ต้องเก็บกดอะไรต่อแต่เดิมเนี่ยมันมั น, ม, นมันเห็นแต่ว่าเก็บกดไงแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีมุมมองแบบเดิมว่าเราต้องเก็บกดเราต้องเก็บอาการ มันกลายเป็นรู้สึกว่าร่างกายมันเครียดขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็สบายขึ้นสภาวะทางใจมีอาการฟุ้งซ่านกระวนกระวายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆค่อยๆ ค, ค, ค, ค, คลายออกมุมมองมันต่างไปเห็นไหมมันไม่ใช่มองตัวตนและมันมองเป็นภาวะทางกายทางใจที่ปรากฏชั่วครู่แล้วก็แสดงความไม่เที่ยงให้ดูเห็นไหมมันไม่ต้องกลับมาเจริญสติแบบที่เรา ฝืนใจตัวเองและมันแค่สังเกตแล้วก็ยอมรับตามจริงในสิ่งที่มันปรากฏอยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ต้องมองให้เห็นแบบที่พี่บอกนะก็เป็นพวกคิดมากค่ะคิดเลยคิดน้อยอะไรค่ะแล้วก็แบบก็เลยอยากจะขอถามว่าถ้าจะกลับมาปฏิบัติค่ะจะแนวไหนที่จะแบบว่าเหมาะกับนี่แหละเอาที่ที่พี่ว่าเนี่ยแหล ะ, ะมั น, นะ ม, นมันก็คือตรงเนี้ยนะอย่างถ้าเรา อยากจะทําสมาธิมันนิ่งๆบ้างซึ่งสําหรับเราเนี่ยมันมันเหมือนกับโอเคมันไม่เข้ากันเท่าไหร่นะกับคำว่าสมาธิเนี่ยแต่เราอย่าไปคิดถึงคําว่าสมาธิเราคิดถึงว่าเออมาม า, มานั่งสังเกตตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นลมหายใจนี้เกิดอะไรขึ้นลมหายใจต่อมามันเบาบางลงมันถือว่ามันเข้มข้นขึ้นอย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งสมาธิอ่ะมันจะมีอยู่สอสองช่วงที่มันแตกต่างกันมาก ช่วงนึงเรารู้สึกสบายเออผ่อนคลายดีเหมือนเหมือนชอบอะที่จะได้รีแล็กซ์แต่อีกช่วงหนึ่งโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันมีอาการวาวุ่นอยู่ข้างในรู้สึกถึงความแตกต่างไหมมันยังก็คนละคนนะไอตอนที่ไม่เอาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากอยากจะลืมตาอยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วแต่มันไม่ได้คนอื่นเดี๋ยวว่าเขากำลังนิ่งๆกันอยู่เราเป็นนะ ลิงข้างสารอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะก็เลยเกิดความรู้สึกกระวลกระวายอึดอัดแล้วก็เกิดความทรมานขึ้นมานี้ประเด็นคือว่าถ้าเกิดภาวะนั้นมันไม่ใช่เราต้องทำยังไงถ้าเราแค่ยอมรับเออว่าคือไม่ใช่รู้นะไอ้ที่ผ่านมาที่เราใช้คำว่ารู้เนี่ยมันไม่ได้รู้จริงนะมันแค่สั่งให้ตัวเองรู้สักแต่รู้แต่มันไม่ได้รู้ เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ยอมรับไงประเด็นของพี่คือว่าถ้าเรายอมรับตามจริงว่าเนี่ยมันเกิดอาการเหมือนทรมานกระวนกระวายเหมือนสติจะแตกเนี่ยต้องเห็นมันในชั่วลมหายใจหนึ่งแล้วไปเปรียบเทียบว่าอีกลมหายใจหนึ่งมันต่างไปไหมอย่างนี้ยมันมีจุดสังเกตเห็นไหมมันมันชัดเจนว่าเราจะทําอะไรแต่ตอนที่อย่างภาวะที่เราตื่นเต้น เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงอมันมันไม่ใช่ไม่ทันไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงคือเราทันแต่ว่าไม่รู้จะหาทางออกยังไงเราเนี่ยจริงๆนะโดยพื้นนะเป็นคนที่มีสติดีนะเป็นคนที่มีสติไวยอย่างสังเกตตัวเองเนี่ยถ้าเล่นเกมหรือว่าพกอยู่ในโฟกัสอะไรที่เราสนใจจริงๆอ่ะมันจะอยู่ได้แล้วแล้วไวด้วยมันเหมือนมันเหมือนรู้ตัวว่าเจริงๆว่าเราเราเนี่ยก็เก่งนะ แต่ว่าพอไปทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมันเหมือนมันเหมือนมืออ่อนเท้าอ่อนเพราะมันไม่ไอสิ่งที่เป็นงานเป็นการเนี่ยมันทำมันดึงดูดให้เราอยู่ในโฟกัสไม่ได้มันไม่เหมือนเรื่องเล่นมันไม่เหมือนเรื่องที่เราสนใจจริงๆนี้ถ้าเราสังเกตอาการทางใจของเราไปเรื่อยอย่างที่พี่พูดเนี่ย ว่าเมื่อไหร่มันกรีดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเบามีอาการสบายนะคือยอมรับยอมรับสภาพที่มันกําลังปรากฏอยู่จริงๆแล้วไม่ได้ไปคาดหวังว่าจะต้องสบายอย่างเดียวหรือเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถึงจุดพีคมันจะค่อยๆรู้สึกว่าไอเนี่ยเขาเรียกอารมณ์ปรุงแต่งเป็นของปรุงแต่งชั่วคราว ที่ผ่านมาเราจะอยากไงอยากจะสบายอยากจะสงบอยากจะไม่ต้องฟุง้งซ่านไม่ต้องมีอารมณ์เหมือนกับเป็นบ้าเป็นบออะไรที่มันอยู่ข้างในอ่ะนะเออแล้วก็ไม่อยากมีคือบางทีเนี่ยเราสะใจที่จะได้กรีดแต่บางครั้งเราก็ไม่อยากที่จะเห็นเป็นอารมณ์เหลวไหลอะ่ะคือมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาสองขั้วเออนะนี่ เข้าใจพอยของพี่นะคือว่าไม่ใช่เราไปอยากให้มันเป็นภาวะใดภาวะหนึ่งแต่ยอมรับทุกภาวะที่มันปรากฏเพื่อจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราสักตัวเดียวนะโอเคขอบคุณค่ะก็ปฏิบัติมารู้จักพี่ตุนมาเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาเคยเจอหน้ากันมาเนี่ย เจอไม่น่ไม่ไม่เคยเจอเป็นส่วนตัวนี่ผมเพิ่งเคยแ ต, แต่เคยไปที่ที่วันที่สวนสนติธรรม เ, เพราะว่าเพราะว่าปกติจะปฏิบัติอยู่คนเดียวที่บ้านเงียบๆ ไ, ไม่ไม่่อยไม่ค่อยได้ไปไหนพอดีวันนี้แฟนเขาก็ผ่านมาด้วยก็เลยอะไรก็อะไรก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าตั้งแต่รู้จักก็ปฏิบัติมาตอนนั้นปฏิบัติไปสามเดือนหเดือนก็เห็นทางแล้ว ก็รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยผมก็ปฏิบัติธรรมเป็นงานหลักแล้วก็ทางโลกนี้ก็ไว้อิงอาศัยครับก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับก็ตลอดคือมันก็เป็นคารวะนะที่มีโอกาสดีได้ทำในสิ่งที่เราต้องการนะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยใจของเราก็อารมณ์สองแพร่งอะ่ะมันไม่สามารถไปกำหนดตัวเองได้ว่าวันไหนมันจะออกแนวแบบโลกโลกอยากแบบโลกโลก<ะ>หรือว่าวันไหนมันจะอารมณ์แบบเหมือนพระเลยอยากทิ้งทุกอย่างนี่ถ้ามองเป็นภาพทางใจก็คือมันก็เหมือนกับจิตเนี่ยเปลี่ยนได้กลับไปกลับมาได้ระหว่างอารมณ์โลกกับอารมณ์ธรรมะนแล้วถ้า เราเริ่มเห็นการปรุงแต่งของจิตที่มันเอาแนวนอนไม่ได้เนี่ยมันก็จะคืออันเนี้ยพอมันเปลี่ยนไปในอารมณ์โลกอ่ะมันมันไม่ได้ดูเลยไงมันมันจะตามมันจะเล่นตามไปเหมือนมีอะไรครอมงำแต่ตอนที่เรามามีความรู้สึกปรุงแต่งในแบบธรรมะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกับรู้รู้ตัวเองได้หรือว่าสามารถเห็นเอ บางครั้งมันมันเหมือนกับเราเห็นภาวะอนัตตาได้เป็นบุบูบเลยซ้ำนะคือมันจะรู้สึกถึงว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราอมันสว่างมันไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นของจริงทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเป็นของจริงในแบบที่ว่าเรายังทําต่อได้มากกว่านั้นอีกตอนที่มันเริ่มหลงโลกอะ ตอนที่มันเหมือนมีอะไร<ม>เราจะรู้สึกได้ตอนตอนที่เราเบนหน้าไปทางโลกเนี่ยคือมีมอะไรตอนที่ตุลนคือว่าแบบคือรู้รู้นะครับว่าแบบเราเราบริโภคกามอยู่เราคลุกอยู่ในโลกอะ่ะ <c oughs> พูดง่ายๆคลุกอยู่ในโลกแล้วแรงดึงดูดมันก็เยอะแต่ว่าก็ไม่เคยทิ้งแต่ว่าอย่างพี่ตุลนบอกบางทีมันกระโดน ล, ลากไปหลอกไปเล่นนู่นเล่นนี่เพลินไปบ้างแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเราเรามีหลักของเราอยู่ว่า ทางเป็นอย่างนี้เราก็เดินอยู่ในทางแต่ว่าก็โดนโดนดึงไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็กลับมาทุกทีเหมือนกับว่ามีทิศอยู่ครับอพอพอมีทิศอยู่คือว่าหลงไปเล่นเพลินสนุกบ้างก็มีบ้างคือตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยมันจะเบนไปทางโลกเนี่ยนะแค่สังเกตเฉยๆว่ามันเหมือนมีอะไรภาวะที่มันมาครอบครับคือแค่เห็น แค่เห็นเฉยๆไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่านั้นเลยบางวันมันบางวันมันเบื่อขึ้นมารุนแรงมากแบบว่าอืบีบบีบเลยแล้วก็คือคือเราควบคุมมันไม่ได้เพราะว่าอยู่ๆเดี๋ยวมันคลายไปเองแล้วก็บางวันมันก็สว่างโพ้มขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปคือมันคุมไม่ได้มันมีปัจจัยไงครับปัจจัยทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมครับแต่เราเห็นเที่เราเราเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับไปของมันอย่างเงี้ยเราไปสั่งมันไม่ได้พอพอมันพอมันเกิดบ่อยๆเราก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่า เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปไม่ว่าภาวะดีภาวะไม่ดีไงครับมันก็จะมามาไปไปปัญหาของผมอย่างอย่างคือคือบางทีไปเล่นสนุกกับทางโลกบ้างก็มีคือมันบบตรงนั้นพี่ไม่มองว่าเป็นปัญหาเพราะมันเป็นสิทธิ์แลคือวัยของเราก็ยังโอเคมันมันมันธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาตอนตอนนี้มีกันเยอะ มีกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีกึ่งโลกกึ่งธรรมเนี่ยนะอย่างนางพิสาขาอย่างท่านมีมีหลายท่านแหละแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารอย่างเงี้ยแต่มันก็แต่มันก็ไม่ได้เปลิดมันลงไปคุกแบบกระโดดลงไปทุกตัวพี่ให้ดูแค่เนี้ยว่าตอนที่เราจะไปทางโลกเนี่ยมันจะมีอารมณ์หนึ่งเหมือนกับครอบเราจะรู้สึกได้ ตอนที่จิตปลอดโปร่งมันเป็นแบบหนึ่งมันเหมือนไม่มีอะไรครอบครับนึกออกใช่ไหมแต่พอไปทางโลกเนี่ยมันจะโดยความรู้สึกประสบการณ์จากข้างในมันเหมือนมีอะไรครอบแล้วก็ดึงให้เราไปทางนั้นใช่ใแค่ให้ดูตรงนั้นแหละว่านี่เรียกว่าจิตที่กําลังไปทางโลกเราแปะบป้ายให้มันนิดนึงแบบป้ายสังเกตเพราะเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้สังเกตตรงนี้ไงพี่ให้แค่ไปลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ครับนะตอนตอนที่มันลงมาครอบเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าจิตเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ใช่แบบที่มันโปร่งคือคือพอมันเพลินไปแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นแบบพิจิตรว่าแต่ว่าสักพักนึงพอมันเอะขึ้นมาเนี่ยถ้ามีคําว่าเอะหรือออกขึ้นมามันจะปึ้งกลับพี่ไม่สนใจตรงนั้นพี่สนใจตรงแค่ว่าถ้าน้องลงไปดูนะทางที่พี่บอกแล้วมันเหมือนพอเราเริ่มจะถึงถูกดึงดูดไปเนนนีีีี่่ยยยมมมมมมััจะะคคล้้าาาๆออไไรรบเเขืดดทว มันจะเหมือนกับเทาๆเนียวเนียวอ่าเข้าใจคําว่าเทาๆทาไหมคือมันมันไม่ได้มืดในแบบที่ว่าอสั่งหรือบงการเราได้ทั้งหมดคือจริงจริงน่าใจของเราเนี่ยจะไม่เอาก็ได้ครับแต่มันจะมาแบบเทาๆมันจะเทาเาโปรงโปรงอ่าเนี่ยคือแค่เห็นตรงนั้นเรื่อยเรื่อยแล้วลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอทเนี่ยพี่ไม่บอกด้วยว่าจะเกิดอะไรนะแล้วลองไปดูกันเลยเพราะว่าติด ตรงนี้มันนาน <c oughs> <c oughs> แค่ดูมันเฉยเฉยเหมือนกับยอมรับสภาพว่าเออพอเริ่มจะเบนไปทางโลกเนี่ยมันมีภาวะแบบนี้ขึ้นมี่ัมันจะมามันจะมาทางใจหรือมันจะมันจะเป็นอารมณ์มาครอบ <c oughs> ไม่คือเราเราเข้าใจตัวเองหลายอย่างนะ <c oughs> แต่จุดเนี้ยเรายังมองไม่เห็นอ <c oughs> คือสิ่ง <c> ท <oughs> ี่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสว่างโปรงหรือว่าไอ้อะไรที่เหมือนเมือครอบเนี่ยมันมีปัจจัย เขาเรียกว่าอดีตปัจจัยอดีตปัใจจัยในในแบบที่โลกโลกที่เราสั่งสมมาความติดใจความรู้สึกว่า เ, เราทําได้เราอะไรเจ๋งอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็ในทางธรรมเนี่ยมันเคยมีอดีตปัจจัยเคยบวชมาก่อนคือบางทีอาจจะไม่ใช่ในชาตินี้ก็ได้นะมันมันเคยทําอะไรแบบที่ว่าเรียกว่า ใช้ได้อะนะมันมันทาทำแบบในเรียกที่ว่ามันอยู่ในระดับที่ใช้ได้ทีเดียวตรงนี้เนี่ยปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไปฝากอยู่ที่มือที่เท้าที่หัวที่ในตับไตไส้พุงตรงไหนแต่มันฝากอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัจจะคือมันเคยเกิดขึ้นแะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสั่งสมตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถย้อนกลับมาให้ผล ให้ผลเป็นจิตที่สว่างบ้างให้ผลเป็นจิตที่เทาๆบ้างเนี่ยตรงนี้พี่ถึงบอกว่าขอแค่เราสังเกตดูตอนที่รู้สึกว่ามันจะเบี่ยงเบนไปทางโลกเนี่ยมันจะมีอะไรเหมือนกับครอบเข้ามาถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจในเรื่องของปัจจัยปรุงแต่งตอนนี้เราเห็นแค่ภาวะที่มันปรากฏเป็นเป็นชอ็อต แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจจริงๆเข้าถึงจริงๆว่าแต่ละช็อตที่มันเกิดขึ้นจะสว่างก็ดีจะเทาก็ดีเนี่ยมันมาจากปัใจจัยในอดีตที่เคยทำไว้เคยสั่งสมไว้ทั้งนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นมาเองแล้วมันหายไปนะมันมันมีคิวของมันอยู่ซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกำลังแห่งปัจจัยทั้งายเท่าแล้วก็ายสว่างได้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคิว ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเรื่องคิวว่ามันจะมาเมื่อไหร่พี่ถึงบอกไงว่าเนี่ยกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าวันนี้จะออกทางโลกหรือออกทางธรรมแต่พอเราเริ่มเข้าใจแล้วก็มองเห็นในเรื่องของ ป, ปัจจัยที่เราสั่งสมมานเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นอนัตตาขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่อนัตตาชั่วขณะที่เราเห็นแต่ละช็อตที่มันผ่านมาแล้วผ่านไป แต่มันจะเห็นว่าเออมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังทุกสภาพจิตที่มันเกิดขึ้นอั น, น, อ น, นที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเอ้ยของเราเนี่ยเป็นคนสองโลกนะมันมันเหมือนกับจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่มันมันไม่มีความเข้าใจเรื่องของปัจจัยที่สั่งสมมานะ่ยไอไอเรื่องอั น, นอันนี้คิดเอาก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเห็นต้องเห็นไปเรื่อย คือยิ่ง ค, คนเรายิ่งฉลาดมากเนี่ยมันยิ่งไม่เห็นความจริงรของไอ้ตัวเหตุปัจจัยในอดีตมันจะเห็นแต่เฉพาะเหตุปัจจัยในปัจจุบันผมผมดูไปเรื่อยๆพอไหมครับมันจะเห็นขึ้นมาที่พ<อ>ี่บอกไงเอาแค่ตรงเนี้ย คือคือตอนแรกอธิบายเรายัางยังไม่เก็ตก็เพราะว่ายัางไม่ได้มาพูดเรื่องพอจะนึกออก<ป>ว่าว่ามันเป็นแรงดึงดูดนึกออกคือคือเห็นแค่ว่าพอมีเกิดแรงดึงดูดเนี่ยเห็นให้ได้มันจะเหมือนมีอะไรครอบครับแล้วมันก็ดึงให้เราดินด้นดิ้นไปแบบไปทําไปอะไรด้วยมันแบบไม่มันลากเราไปลากเราไปง่ายๆเลยเพราะเราไม่เคยคิดอย่า ดิเซตมันอยู่แล้วใช่ใมันจะดึงมันจะดึงไปแค่แค่เราเปรียบเทียบได้ว่าตอนจิตที่เป็นอิสระมันรู้สึกโล่งสบายไม่มีอะไรครอบแี่ยตอนที่มันเริ่มมีอะไรดึงไปมันมีอะไรครอบครอบเห็นให้ได้ถึงความแตกต่างแค่นั้นพอไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยในช่วงเนี้ยนะโอเคเสร็จแล้วครับอาจขอบคุณมากวันนี้พาลูกสาวมาด้วยอะค่ะจะ อ่าถ้าเขาไม่มีอะไรถามเดี๋ยวพี่ถามเลยนะก็เออก็ดูไปดูมาสักพักแครับก็ก็เห็นอะไรที่มันหยาบหยาบก็น่าจะเห็นง่ายๆหน่อยอย่างเวลาทุกเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าไอหยาบมากๆก็คือพอจะเห็นได้บ้างแล้วครับแต่คิดว่าพออะไรที่มันละเอียดขึ้นก็จะยากกว่าเดิมครับผมอย่างที่บอกว่าสภาวะโล่งๆบ่งโป่งก็คิดว่า มันนอกจากมันจะมีอะไรที่เหมือนจะมีแบ็กกราวน์ที่แรงดึงดูดอยู่แล้วกับไอ้โล่งๆมันก็มันก็เหมือนไม่ทันนะครับคือไม่ทันที่จะเห็นว่ามันมันก็เป็นอีกแค่สภาวะหนึ่งครับไม่ใช่เขาไม่ได้ดูกันอย่างนั้นนะเราสว่างขึ้นมาแล้วจริงตอนที่มันรู้สึกโล่งตอนที่มันรู้สึกสว่างเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอีกภาวะหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นได้เรียกว่ามีสติ แต่ถ้าเห็นไม่ได้แต่แต่สามารถเปรียบเทียบถูกว่าเนี่ยจากโล่งมันเปลี่ยนเป็นทึบๆแล้วจากสว่างมันเปลี่ยนเป็นมืดๆหม่นๆแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เรียกว่ามีสติอีกเหมือนกันสติในแบบที่ว่ า, เ, าเราอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยห้องนี้สว่างแล้วพอข้ามมาอีกห้องนึงรู้สึกว่าห้องนี้มืดถึงแม้ว่าไอ้ช่วงข้ามประตูมาเราจะยังไม่ทันแต่ก็เรียกว่ามีสติอยู่ทั้งคู่ นี้ประเด็นคือพระพุทธเจ้าเวลาท่านให้ฝึกท่านให้ฝึกอย่างนี้แหละตอนที่มาอยู่แต่ละห้องแล้วเราขอให้เปรียบเทียบได้ก็แล้วกันห้องนี้สว่างห้องนี้มืดต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆมีสติคมขึ้นแล้วก็เห็นช่วงที่ผ่านประตูมาไปเองนะตอนนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรยิ่งพอไม่เห็นแล้วเกิดความรู้สึกดิ้นรนว่าทํำยังไงจะเห็นมันยิ่งไม่ได้เห็นเข้าไปใหญ่เพราะมันจะไม่ได้สังเกตว่าจิตแต่ละแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง นะโล่งเป็นยังไงทึบเป็นยังไงสว่างเป็นยังไงมืดเป็นยังไงสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงมันจะไม่สังเกตมันจะเอาแต่ทรมานใจอยากได้อยากได้ภาวะที่เ อ, อเห็นความเปลี่ยนแปลงสติที่คมพอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงแบบที่เรียกว่า Trans ซียชัจริงๆเปลี่ยนจากห้องนึงมาเป็นอีกห้องนึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ตัวเดียวกันจริงๆด้วย มันเป็นคนละภาวะกันจริงๆด้วยพอเรารู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวเดียวกันนะของภาวะสว่างกับมืดโล้งกับทึบในที่สุดเนี่ยสติมันจะค่อยๆทำงานของมันเองมันจะค่อยๆมีกำลังมีแก่ใจที่จะสังเกตของมันเองเพ่าปกติเนี่ยจิตของมนุษย์ปกติทั่วไปมันจะไม่มีแก่ใจที่จะไปสังเกตอะไรแบบนี้ มันจะสนใจเฉพาะเหยื่อล่อที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันก็ไม่เคยที่จะเห็นหรอกว่าจิตของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีความชํานาญมาแบบนั้นมันไม่ได้ฝึกมาแบบนั้นแต่พอเรามาเริ่มสังเกตนะว่าไอ้นี่แบบหนึ่งไอ้นี่อีกแบบหนึ่งมันจะไปกระตุ้นความสามารถตรงนี้ขึ้นมาเองกําลังของสติยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นว่ามันไม่ไม่ใช่ตัวเดิมมากขึ้นเท่าไหร่มันจะค่อยๆ มีโฟกัสเห็นความเปลี่ยนไปเห็นความต่างไปมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันคมขนาดที่ว่าตอนผ่านประตูมามันรู้เลยนะคือสภาพอย่างนี้มันมันจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นมาก่อนก่อ น, นะครับอย่างก่อนก่อนคืออย่างถ้ทุก์อย่างเนี้ยพอทุกปุ๊บมันพอมันทันปึ๊บมันก็จะหายไปเลยคือเข้าใจว่าไม่ได้มองให้มันหายไปแต่มันก็หายไปเองหรือว่าความสุขบา ง, บางชนิดเวลาสุขขึ้นมาปุ๊บ คือถ้าทานปุ๊บมันก็จะหายไปเลยแต่ว่าไอ้โล่งๆแบบนี้มันไม่เกิดสภาวะแบบนั้นขึ้นก็เลยสงสัยว่าเอ้นี่ถูกหรือเปล่าหรือกลายเป็นเพ่งหรือลงไปหรือเปล่าเนี่ยพอฝั่งที่พี่พูดเนี่ยมันก็คือหลักการครับมันคือวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในสติปัฏฐาน4ี่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยให้ความสงสัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็จะเปิดทางให้สติของเราทํางานได้ดีขึ้นนะต่อทิดดูอยู่ก็โอเคแล้ว ท, ท, ที่ผ่านมาเอ า, เอาเฉพาะตรงที่ถูกเนี่ยมันเห็นมันเห็นจริงๆตอนสว่างมันชอบพอชอบแล้วมันจะเห็นแต่ไอตรงที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะมีอาการดิ้นรนครับโอเคก็คือดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดูแบบที่พี่ว่าเนี่ยนะคือแค่ยอมรับยอมรับว่าตอนนี้มันพุ้งสร้างอยู่มันมืดอยู่ม่เหมือนอยู่ในห้องอีกห้องนึงครับ รู้ว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอมันกระโดดมาอีกห้องหนึ่งก็รู้ว่ามันเป็นยังไงต่างไปยังไงนี่เอาอยู่แค่นี้แหละครับคิดว่าแบบนี้ก็เป็นแบบที่กำลังดูอยู่ครับตอนที่เราพุ่งสัน้นมันจะมีอาการยือ้อยู่นิดนึงมันมันจะเหมือนกับคืออยากหายพุ่งสัน้นมีมีอาการอยากหายพุ่งสั้นอยู่ด้วย<ม>คือมันไม่ได้ยอมรับเพียวๆมันไม่เหมือนตอนเราสว่าง ตอนเราสว่างเนี่ยคือนึกออกไหมมันมันไม่ได้มีอาการอยากอะไรอย่างอื่นครับแต่ตอนที่เราฟุ้งซ่านตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองขาดส ต, ติมันมีอาการยือ้อไม่ใช่ยอมรับทั้งหมดคือยอมรับจริงคือคือพยายามเข้ามารู้จริงครับมันเป็นอาการสั่งให้ตัวเองรู้ครับแต่โดยอาการของจิตจริงๆเนี่ยมันยังมีอาการยือ้อเข้าใจที่พี่พูดไหมอยากคือยือ้อคืออยากให้หายฟุ้งซ่านอีกรอบหนึ่งใช่นั่นแหะ ตรงนั้นนะ่ถ้าเราเห็นได้คือแม้แต่อาการอยากหายพุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราเห็นและยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นได้นี่ก็เรียกว่าสติแต่ถ้ามีอาการยือ้อมีอาการอยากแล้วไม่รู้ถึงสภาพแบบนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าขาดสติครนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วครั บ, <Okay. S 2> รบแล้วเวลาเขานั่งสมาธิเขาชอบจับเวลาแล้วถ้าไม่จับนึกบกต้องลืมตา ม, มันดูนาฬิกาของเขานี่ต้องทำยังไง เป็นต้องจับเวลาหรืออะไรก็ไม่เป็นไรมันมันก็เหมาะกับสภาพของคำเหมือนกันเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเหมือนทำอะไรไม่มันขาดเป้าหมายพอมีเรื่องของการจับเวลานี่ไม่ได้พูดให้ทุกคนนะคือเอาเฉพาะกรณีนี้นะเพราะว่าเดิมอะมันจะเหมือนกับแก่งมันจะไม่มีเป้าหมายชัดเจนนี่พอมีเวลามาเนี่ยมันเหมือนมีตัวทาให้รู้สึกปูุมใจ ว่าเราสามารถที่จะผ่านไอ้ตรงนี้ได้หรือเปล่าทําสําเร็จหรือเปล่าไม่เป็นไรคือมันมันไม่มีกดตายตัวฟิกไปว่าเออจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เอย่าไปพะวงมากคือขอแค่ว่าได้รู้สึกมีกําลังใจที่จะทําแล้วทําไดเ้เดี๋ยวต่อไปมันก็ทิ้งไปเองมันไม่จําเป็นอนะ่ะพอมีกําลังใจเต็มที่แล้วนะ อ, อนุ ญ, ญาตก็ยังห่วงลูกสาวนิดหนึ่งว่าทําสมาธิถูกไหมคะที่ทําอยู่คือมันยังเบลอๆอยู่นิดนึงนะแต่แต่จะไปคือพี่จะไปแบบาากากเกนนะกากเก์มากที่เขาทําอยู่เนี่ยโอเคแล้วมันมันมันก็ดีในระดับหนึ่งาบางทีมันอาจจะน้องอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับเบลอๆ บ, บ, บ้างอะไรบ้างเนี้ยนะบางทีมันก็สว่างขึ้นมาบ้าง แต่อย่าทำทั้งฝืนใจเพราะว่าถ้าทําแล้วฝืนใจมันจะกลายเป็นอารมณ์ลบคือพอนึกถึงการทําสมาธิไม่้นึกถึงอะไรที่มันเป็นลบไม่ได้นึกถึงอะไรที่มันเป็นบวกแต่จิตมันสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันบางบางวูบเนี่ยมันก็สบายใจขึ้นมาจริงๆแต่อีกหลายวูบเนี่ยมันจะเหมือนกับกดๆมันจะเหมือนกับเบลเบลนะนี่ เราแค่แดูไปตอนที่มันเบล อ, บอยอมรับว่ามันเบลอมันเบลอไปได้นานแค่ไหนนะก็ดูไปว่าลมหายใจไหนเมื่อกี้ที่ฟังน้าพูดมาเนี่ยว่ามันแตกต่างไปยังไงในแต่ละลมหายใจอะไรเราก็เก็ตอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราฟังเวลาเราเก็ตอะไรคือมันยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะเอาไปทําจริงหรือเปล่านี้ถ้าตกลงใจว่าจะเอาไปทําจริงเนี่ย มันก็จะเห็นผลจริงเหมือนกันนะโอเคจ้ะแล้วของพี่ตอนนั่งสมาธิหรือว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่บางทีมันมีอาการนิ่งแบบพี่สังเกตว่าบางทีมีอาการนิ่งแบบฟรีสมันแช่อ ย, อยู่เฉยๆบางทีนิ่งมันสว่างตอนที่สว่างแล้วมันเป็นอิสระอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะ นั่งสมาธิผลออกมาทางใจเนี่ยมันแตกต่างไปเรื่อยๆเราก็แค่เห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆคืออย่าไปอย่าไปพยายามล็อกไว้คือบางทีพี่ยังมีอาการพยายามล็อกไว้อ่ะล็อกเอาเจ้าดีๆจเจ้าไว้ที่มันเป็นภาวะที่เรารู้สึกว่ามันเคยดีคเ<า>มันยังอดไม่ได้ที่จะไปล็อกไว้สังเกตเนี่ยพอมันมีอาการพยายามล็อกไว้เนี่ยมันจะแข็งแข็งนะ แล้วมันเหมือนตกผวังเป็นวูบๆนั่นเราก็ดูอาการที่มันหลับๆตื่นๆอย่างนั้นนะฮะเหมือนหลับง่วงๆอ่ดูไปแต่เราก็ดูดูแบบยอมรับไปเรื่อยๆอันนี้จิตมันก็มีอาการยอมรับไปเรื่อยๆแล้วแหะแต่ว่าพี่ต้องดูแบบไม่คาดหวังนะว่ามันจะมีแต่ดีก็ดีบางทีมันยังอดคาดหวังไม่ได้อ่ะมันมันยังมันยังมีความคาดหวังอยู่ว่าจะให้มันดีในสภาพที่ว่าคงเส้นคงวา นะคือคือบางทีเนี่ยไม่คาดหวังแบบจะต้องแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่มันคาดหวังว่าจะให้คงเส้นคงวาแม้แต่ความคาดหวังแบบนี้มันก็เป็นอาการล็อกชนิดหนึ่งเหมือนกันทำให้จิตเนี่ยมันแข่งได้รีสได้เหมือนกันดูแข็งแข่งยังคือดูความต่างของมันหรือยังไงคะของพี่ ยอมรับสภาพที่มันต่างไปเรื่อยๆจาคีย์เวิร์ดนี้ไว้ดีๆนะโอเค ค, ครับขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ตูนค่ะก็ปนะกติจะเป็นคนที่ทำงานจะต้องใช้ความคิดตลอดเวลาแล้วก็บางทีมันคิดเยอะไปรู้สึกว่าเราแบบบางทีมันเป็นความฟุ้งซ่านมากจน เหมือนมันมาไม่ถูกจังหวะเวลาเวลาที่เราอยากจะคิดคิดงานเรื่องดีๆมันก็จะไม่ออกแต่พอเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะคิดมันก็มาเยอะมากเหมือนกับฟงซาแล้วก็ไปกับมันเลยสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันนําไปสู่ความรู้สึกอืดอัดกระวนกระวายและบางทีเนี่ยจะรู้สึกเหมือนโมโหร้ายนะ เพราะมันไม่ได้อย่างใจและความคิดของเราเนี่ยเป็นความคิดในแบบที่ทุ่มหนักเข้าใจคาว่าทุ่มหนักไหมเราเวลาเราคิดเนี่ยเราใส่เข้าไปเต็มที่เหมือนกับเล่นยูโดจะจะลม้มจะพยายามเอาชนะนึกออกไหมเวลาเราคิดไม่ออกเราจะพยายามทุ่มเทเอาให้ได้ทั้งๆที่ พักสักหน่อยก็ดีแต่คนคนมาบอกอไปนั่นไปนี่ไม่เอาเราจะเอาชนะให้ได้เราจะคิดให้ออกให้ได้หรือว่าจะทำให้เสร็จให้ได้ซึ่งอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมันจ ะ, ะยิ่งยิ่งสะสมไปมันจะยิ่งอัดแน่นเข้ามาเป็นความรู้สึกอึดอัดอึดอัดอึดอัดและในที่สุดมันก็เหมือนกับโมโหได้ยอยู่ข้างในงุนง่านอยู่ข้างใน เข้าใจที่มาที่ไปนะอ่คะทีนี้พอเ อ, อเราเกิดอารมณ์งุนง่านขึ้นมาตอนที่กระวนกังวัยมันจะเหมือนกับเสือติดจันทร์เดินวนไปเวียนมาอยู่ในที่เดิมๆอยู่ในที่แคบๆาอารมณ์แบบนี้เองถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นนะ อันดับแรกเลยให้ยอมรับว่าเนี่ยอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูว่าหายใจครั้งนี้มันงุนงานเท่านี้เนี่ยแค่นี้มันก็เบาลงไปแล้วเห็นไหมพอเราเขียนมันจริงๆอะ่ะเมื่อกี้พี่พูดถึงอารมณ์งุนงานมันทบทวนขึ้นมามันรู้ไงว่าสภาพมันเป็นยังไงพูดถึงอารมณ์ที่ว่าเราอยากจะเอาชนะอะไรอยากจะทำให้เสร็จอยากจะทำให้สาเร็จและทุ่มสุดตัวเนี้ย ความคิดแบบทุ่มเนีเรานึกออกพอนึกออกมันเบาลงนั่นคือสภาพที่สติมันเห็นว่าสภาวะทุ่มสุดตัวคิดทุ่มสุดตัวหรือว่าภาวะงุนงานหน้าตามันเป็นยังไงพอเห็นเห็นแบบที่ว่ามันเป็นแค่ภาวะไม่ใช่ตัวเราที่จะต้องทําอะไรอย่างหนึง่งมันก็เหมือนผ่านไปเฉยๆได้เห็นไหมเนี่ยที่เรารู้สึกเหมือนโปรง่ง ที่เราลุกคือเหมือนกัเ น, นี่ยตอนเนี้ยถ้าให้นึกว่าเราเป็นคนโมโหไร้หน้าตาเป็นไงมันนึกไม่ออกแหละมันไม่มีความอึดอัดอยู่มันมีแต่ความรู้สึกโล่งโล่งพราะอีคือว่าพอเราโปร่งโล่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อไปเราจะไม่เป็นคนโมโหไายแล้วไม่ใช่หมายความว่าความอึดอัดที่สั่งสมมาเยอะแยะเนี่ยมันหายไปอย่างตื้นเชิงแต่มันจะกลับมาอีก ประเด็นคือเราจะได้มุมมองใหม่ว่าเมื่อไหร่ที่มันกลับมาเราเห็นเป็นภาวะอึดอัดชั่วขณะแล้วพอภาวะอึดอัดตรงนั้นผ่านพ้นไปมันเกิดความรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นมาเราก็เห็นความโปร่งโล่งนี่เป็นภาวะชั่วคราวอีกเหมือนกันเข้าใจประเด็นนะตรงนี้แหละมันจะแก้ทุกอย่างไอตอนที่เราบอกว่าตอนอยากคิดมันไม่คิด ตอนไม่อยากคิดมันกลับคิดขึ้นมาก็จะได้ใช้ประโยชน์เวลาที่มันมีความคิดแบบอึดอัดขึ้นมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ตอนที่เราไม่อยากจะคิดตอนที่เราอยากจะพักแล้วมันมันกลับมีเป็นละลอกละลอกคลื่นรบกวนเข้ามาเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นคลื่นรบกวนที่มันเกิดขึ้นยอมรับสภาพมันให้เหมือนกับยอมรับตอนนี้แล้วมันก็จะค่อยๆผ่อน ไปทีละลอกคือมันจะไม่หายไปทีเดียวแบบนี้นะเพราะนี่แบบนี้มันง่ายเราคุยธรรมะกันมาตั้งแต่ต้นน้องทํา ร, รมาที่มาน้องอะไรต่อมี้อะไรฟังคนอื่นมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับภาวะของจิตเนี่ยถูกจูนให้เข้ากับความสว่างแบบธรรมะที่มันเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็เลยดูง่ายแต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะดูยากขึ้นแต่ดูยากขึ้น แล้วเราดูไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นเหมือนกันง่ายขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันขอให้มองถูกจุดขอให้มองอย่างคนที่ไม่คาดหวังจะเอาชนะของเรามันชอบเอาชนะเอาชนะหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเอาชนะคนเอาชนะเอาชนะงานแต่ไม่พยายามเอาชนะอารมณ์ตัวเอง คือการเอาชนะอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกแต่ถ้าเราไม่พยายามคือไม่ได้ตั้งเข็มว่าจะเอาชนะอารมณ์ตัวเองแต่ตั้งเข็มว่าจะเห็นอารมณ์ตัวเองแสดงความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆแล้วเรายอมรับทุกครั้งอย่างนี้มันจะง่ายมันไม่ต้องรบกับใครไม่ต้องเอาชนะแม้กระทั่งตัวของเราเองพระใหญ่ประเด็นนะสรุปเอาชนะนี้ดีหรือไม่ดีค่ะ บางอย่างก็ดีเพราะว่าถ้าคนทางโลกเนี่ยถ้าไม่ตั้งตั้งเป้าว่าจะเอาชนะอะไรไปเลยเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจมันไม่มีความท้าทายที่จะให้ทำสุดความสามารถพูดง่ายๆว่ามันจะขาดแรงดึงดูดไม่ให้เราไปโฟกัสกับสิ่งที่น่าจะโฟกัสแต่ใน การเจริญสติถ้าเราชอบเอาชนะมันเป็นตรงกันข้ามเลยมันจะเหมือนกับเราวิ่งไล่ขว้าเงาคือพยายามจะขว้าเงาให้ได้่ไม่ว่าเงาจะอยู่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังเราก็ตามมันจะรู้สึกว่ายิ่งคว้ายิ่งจับลมยิ่งยิ่งจับลมเปล่า ถึงจุดหนึ่งขึ้นมาในชีวิตนะที่เรารู้สึกว่าเราเอาชนะได้หมดยกเว้นอารมณ์ของตัวเองที่บางทีน้องอย่ารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยทาไมมันเกิดขึ้นอารมณ์แบบนี้มันไม่มีเหตุผลมันไม่โลจิกบางทีเป็นอารมณ์เจ็บใจบางทีเป็นอารมณ์เหมือนกับอยากประชดโลกหรือว่าอยากจะ ทำอะไรที่มันมันเกินเกินมันเวอร์เวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็มาจากความเก็บอัดไว้ทางนั้นอนะที่พี่บอกมันสะสมมาเวลาที่มันถึงเวลาระเบิดปุ้งออกมาเนี่ยเราไม่สามารถคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนหรือว่าโดนอะไรกระทบแล้วมันถึงระเบิดออกมา แต่ถ้าเราจเจริญส ต, ติแล้วก็ยอมรับทุกอารมณ์ทุกสภาพอารมณ์ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีก็ตามไอ้ความเก็บอัดหรือว่าแรงเก็บเก็บกดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะดูเหมือนกับค่อยๆลดกําลังลงถนะ้ไอ้อะไรที่มันจะเหวี่ยงขึ้นมาอะไรที่มันจะเหนือความคาดหมายแม้แต่กระทั่งสําหรับตัวเราเองเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอํานาจมากพอที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกหลุด หลุดจากโฟกัสของความรู้เนื้อรู้ตัวนะนั้นดูอย่างที่พี่บอกนี่นแหละเราเราดูเริ่มจากอาการที่มันทุ่มความคิดหรือ ว, ว่ามีไอ้ภาวะอึดอัดอะไรก็แล้วแต่นะอย่างที่ฟังมาทั้งหมดเนะี่ยมันก็คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราอยู่แล้วนะค่ะวัสดีค่ะ ก็คืออยากจะถามว่าเวลาเราโกรธมีโกรธคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนบอกว่าถ้าเกิดเราโกรธก็คือให้รู้ว่าเราโกรธแล้วก็พอรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็หายไปเองแต่ว่าที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ทันไม่ของน้องเนี่ยขอให้สังเกตนะเราท่องคำว่ารู้จงรู้ว่าโกรธจงรู้รู้ไปเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหัวมันปรงสร้างอยู่ตลอดเวลา มันมีความฟงสั้นเจือปนอยู่ด้วยซึ่งน้องรู้สึกได้นะทุกครั้งที่สั่งให้ตัวเองกแต่รู้ไปรู้ว่าโกรธเนี่ยมันมีความฟงสั้นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลย ม, มันมาสารพัดเรื่องอ่านเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่น้องจะต้องเขียนให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเวลาที่เราสั่งตัวเองว่าเ อ, อโกรธเราดูนะมันมีความคิดวาบวุ่นขึ้นมา พูดง่ายๆมีความผุ้งส้นให้บอกตัวเองแปะป้ายไว้นิดหนึ่งเมื่อเรากําลังดูความผุ้งส้นมันเอ้ยเมื่อเรากําลังดูโทรศท์มันมีความผุ้งส้นปนขึ้นมาเข้าใจพอยไหมคือให้ยอมรับยอมรับสภาพตามจริงว่ามันเกิดความผุ้งสั้นขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆแบบนี้แหละที่มันกําลังเป็นอยู่เนี่ยน้องแค่ยอมรับนี่ไม่ใช่เรียกว่าดูนะ นี่เรียกว่าเป็นพยายามการพยายามดูถ้ารู้อยู่เฉยเยมันไม่ใช่แบบนี้นะรู้อยู่เฉยเมันอย่างเงี้ยคือมีอาการยอมรับเนี่ย ม, มันมาถึงจุดที่ยอมรับแล้วเห็นไหมก่อนจะถึงจุดที่ยอมรับมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่รู้อะ่ะ ม, มันเป็นอาการพุ่งซ่านไปเนี่ยตอนนี้มันวิ่งวนกลับมาใหม่เราแค่ยอมรับว่าเนี่ยมันวิ่งวนกลับมาใหม่เห็นความแตกต่างไหม แต่ก่อนเนี่ยพอเราสั่งตัวเองว่าให้รู้ความโกรธมันมีความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนความโกรธเรียบร้อยแล้วคือหรือบางทีมันผสมกับความโกรธแต่และคําว่ารู้เนี่ยที่เราตั้งใจว่าจะรู้อาการมันไม่ใช่มันคลายเป็นฟุ้งซ่านตามความโกรธไปออกไปคิดว่าเหมือนคิดว่าเรารู้แล้วอะไรเงี้ยคือบางทีน้องไม่ได้คิดแบบนั้น แต่มันมีความฟุ้งซ่านวกวนอยู่ในหัวซึ่งเราจะรู้สึกได้ทีนี้พอออกจากห้องนี้ไปแล้วเปลี่ยนมุมมองใหม่เวลาเกิดความโกรธ เ, เรารู้ความโกรธนะแล้วเกิดความเห็นขึ้นมาว่าเอ้ยมันฟุ้งซ่านไปด้วยสติมันจะเห็นภาวะที่กำลังปรากฏเด่นอยู่จริงๆไม่ใช่ จะไปคาดคันไปกะเกณเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจะเห็นความโกรธซึ่งบางทีมันไม่ใช่ภาวะที่เด่นจริงเ mm hmm. ข้าใจพอยของพี่ปะ mm hmm. พอยของพี่คือว่าภาวะอะไรกำลังปรากฏเด่นเราก็ให้ดูภาวะตรงนั้นแหละไม่ใช่ไปเอาภาวะที่เราตั้งสเปคขึ้นมาหรือว่ากะเกณไว้ว่าเราจะดูตัวนี้ตัวเดียว ถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาเราต้องเห็นด้วยแล้วการเห็นเนี่ยไม่ใช่จ้องเข้าไปแต่ให้เกิดความรู้สึกยอมรับว่าเนี่ยกาลังฟุ้งซ่านอ่าอย่างนี้ดีขึ้นพอมันฟุ้งซ่านขึ้นมามันมันเริ่มมันเริ่มยอมรับว่าเออเนี่ยสภาพการยอมรับหน้าตามันเป็นแบบนี้คือไม่ใช่ไปพยายามดูไม่ใช่ไปพยายามฝืนไม่ใช่ไปพยายามกดไว้ให้สงบ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ไปคาดหวังว่าเราจะเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ไปคาดหวังว่าเราจะเห็นมันหายไปคือไม่มีอะไรนอกไปจากยอมรับเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยไปเปรียบเทียบว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงเข้มข้นหรือว่าเบาบางลงนะในแต่ละลมหายใจที่ต่างกันขอบคุณค่ะจา เห็นไหมรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นไหมมันเบาขึ้นใช่ไหมเหมือนเหมือนกันในหัวมันความคึืนอะไรรบกวนมันน้อยลงใช่ไห ม, มสวัสดีค่ะพี่ตุปฏิบัติเกือบทุกวันนะคะแต่ไม่ทราบว่าตัวเองปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็หายวิหารทำให้ตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่ทราว่าปฏิบัติที่ที่ทาอยู่ใช้ได้หรือเปล่า คือโดยตัวของน้องแหลามาพูดถึงพื้นพื้นจิตก่อนมันเป็นคนดื้อเข้าใจอารมณ์ดื้อของตัวเองใช่ไหมเวลาที่ยึดอะไรแล้วเนี่ยมันจะมันจะแนวอยู่อย่างนั้นแล้วคือจะผิดจะถูกเนี่ยไม่สนนะคือคือเราเร า, เราเ โ, ดโดยโดยลอจิกโดยพื้นฐานความคิดเนี่ยเราจะคิดว่าเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าถูกแล้วเนี่ยเราจะต้องลุยเอาให้ได้แต่ในทางกลับกัน ไอตอนที่บางทียึดด้วยอารมณ์เนี่ยเราก็เผลอไปเอาตรงนั้นด้วยเหมือนกันว่าต้องเอาให้ได้คือคือไปไปตีตราไว้ว่าไอเนี่ยมันถูกต้องบางครั้งมันเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่ลอจิกเราก็จะยังยึงยดอยู่นี่เรียกว่าอารมณ์ดือ้อพูดง่ายๆว่าพอเราแนวไปกาไอทิทางแบบไหนแล้วเนี่ยมันจะไม่ปล่อยนี่ที่พี่พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่า จิตของเราเวลาที่มันยึดอยู่กับไอ้ตัวสภาวะหรือว่าอารมณ์แบบไหนก็ตามเนี่ยมันจะล็อกเข้าไป ม, มันจะเหมือนกับเราอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนะแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตว่าตอนที่โฟกัสอยู่เนี่ยมันโฟกัสอยู่อย่างเป็นสมาธิจิตมันกว้างๆหรือว่ามีอาการโฟกัสแบบคับแคบ เข้าใจพอยที่พี่พูดไหมถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าหากเราโฟกัสเป็นสมาธิในแบบของคนที่อยู่ในอารมณ์ดื้อเนี่ยจิตมันจะแคบอย่างตอนเนี้ยพอเข้าใจเนี่ยจิตมันจิตมันเปิดออกเห็นไหมรู้สึกัหมรู้สึกถึงความต่างไหมที่มันใจมันสบายขึ้นอ่าตรง น, นี้เวลาที่เราไป กับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอารมณ์สมาธินะจะสวดมนต์หรือว่าจะเป็นดูลมหายใจหรือว่าจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้สังเกตว่าใจของเราเนี่ยมันเปิดหรือว่ามั น, มนปิดถ้าปิดมันจะแคบรู้สึกเหมือนกับแคบแคบแต่ถ้าเปิดมันจะรู้สึกเหมือนกว้างโปร่งสบายขอให้เริ่มต้นจากการสวดมนต์ก่อนก่อนที่จะนั่งสมาธิแล้วสังเกตอาการทางใจของตัวเองในขณะสวดมนต์ ลองสวนดูหลายๆรอบแล้วเปรียบเทียบไปเรื่อยๆว่าแต่ละรอบเนี่ยมันกว้างขึ้นหรือว่ามันแคบลงมันจะได้เห็นอาการของใจตัวเองในเวลาที่ก่อนที่จะมานั่งสมาธิเนี่ยว่าอยู่ในอยู่ในโหมดเปิดหรือว่าอยู่ในโหมดปิดถ้าอยู่ในโหมดปิดเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิไปเราจะรู้สึกเหมือนตื้อๆงงๆมันจะรู้สึกเหมือนล็อกอยู่อย่างั้นแหละ ล็อกอยู่เฉยๆมันนิ่งก็จริงแต่นิ่งแบบมันเหมือนไม่รู้อะไรเลยนี้ถ้าอยู่ในโหมดเปิดเราจรู้สึกเหมือนแบบางทีไม่ได้ล็อกนะไม่ได้โฟกัสนะแต่ใจมันกลับนิ่งกลับสบายเนี่ยเหมือนคล้ายๆอย่างเงี้ยอาการคล้ายๆแบบเนี้ยตอนที่มันสบายเนี่ยคือมันไม่ได้ล็อกเข้ามาแคบๆพอเราเข้าใจอาการของใจตัวเอง อ, อ่านใจตัวเองได้ถูกว่าอยู่ในโหมดเปิดรู้อยู่ในโหมดปิดนะเ อ, อมันจะช่วยให้เราไม่หลงเข้าไปในอารมณ์แบบล็อกอยู่ตื้อๆที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราก็ <c oughs> เวลาที่เราเข้าใจว่าตัวเองกําลังนิ่งอยู่ในสมาธิแล้วมัน บอกตัวเองไม่ถูกว่าไอเ น, นี่ยเป็นอาการเหมือนกับจิตแคบเนี่ยมันก็จะแคบไปเรื่อยๆแต่ต่อไปพอเราพอเราอ่านออกว่าเนี่ยแบบนี้มันล็อกอยู่นิ่งๆแบบแคบๆกิตมันจะเริ่มเปิดคือเปิดเองนะไม่ใช่ไปตั้งใจเปิดนะถ้าตั้งใจเปิดนี่เป็นเป็นอาการเหมือนกับบังคับซึ่งไม่มีทางเปิดจริง แต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยมันตื้อๆมันแคบๆมัน เ, เหมือนกับมีอะไรเป็นหุ่นขี้พึ่งรู้สึกอะ่ะเหมือนเหมือนกับตันๆอยู่ข้างในเหมือนเป็นหุ่นขี้พึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเออเนี่ยเป็นภาวะแบบหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปนั่นแหละแต่มันได้หุดสังเกตแล้วไงว่าจิตของเรามันแคบมันมันดูเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วเห็นว่าไอ้ที่มันมีอาการคับแค บ, แคบนั้นอะ่ะแต่ละลมหายใจมันแคบไม่เท่ากัน นึกออกไหมถ้าเราดิ่งเข้าไปในอาการที่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะแคบตลอดไปเรื่อยๆคงเส้นคงวาแต่ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเออเนี่ยรู้จักมาเนี่ยว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตคับแคบอาการคับแคบตรงนั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นได้พอยของพี่อยู่ตรงนี้เข้าใจทั้งหมดนะอ่าเนี่ยถ้าถ้ามองไปถ้าถ้ามองออกมันก็จะค่อยๆ จิตมันจะค่อยๆเป็นสมาธิแบบที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นะค่ะก็คือได้แต่สนวนยมุนไหวระยังไม่ค่อยได้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่ว่าตัวเองเป็นคนรู้ว่าตัวเองเป็นคนฟุง้งแล้วก็คิดเยอะแล้วก็กลัวก็ไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันนะค่ะก็อยากได้คำแนะนำค่ะ บางทีจิตมันไปยึดอะไรที่เหมือนกับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเหนือกว่าที่เราจะเห็นได้ตาหรือได้ยินได้หูนะมันเป็นอารมณ์แบบเชื่อๆตามๆเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เราอาจจะสั่งสมมาด้วยการคุย เ, เรื่องลึกรับบ้าง หรือว่าด้วยการที่อารมณ์ที่ว่าคล้ายๆเรามีสังหรณ์เหมือนการสัมผัสอะไรบางอย่างที่มันบูบู้บ้าบ้บางทีมันเป็นวูบู้บ้าบ้าแบบมืดบางทีบู้บู้บ้าบ้าแบบสว่าง <S <S เดี๋ยวเข้าใจมามตรงนี้เนี่ย <S 1> <S 1> คือบคําว่าบู้บๆ้บาบ้เนี่ยมันเป็นอาการลมเพลลมพัดที่เกิดขึ้นมาเอง รู้สึกขึ้นมาเองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันวูบมาแบบเนี้ยมืดอีกวูบหนึ่งมาโอ้สว่างเหมือนกับเทวดามาเยี่ยมนะอะไรทํานองนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าข้างนอกมันจะจริงหรือไม่จริงมันไม่สําคัญเท่าที่ว่าเราได้ทํามีท่าทีที่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าท่าทีที่เป็นประโยชน์สูงสุด ที่พระพุทธเจ้าแนะนําไว้ก็คือว่าให้เห็นว่านั่นเป็นภาวะปรุงแต่งทางใจชั่วคราวชั่วขนาดหนึ่งตอนที่สําคัญมั่นหมายไปว่าบูบูว่าบาบแบบมืดๆนะี่นะแล้วเกิดอาการขนลุกเกิดอาการรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งตรงนั้นก็เป็นอาการปรุงแต่งของจิตมีผลทางกายด้วยขนลุกขนชันบางทีเหมือนกับ มีอะไรอยู่รอบๆตัวนะ อ, ะอะไรแบบนั้นนหะคือให้ให้มองเป็นอาการคือคือเข้าใจนะว่ามีอาการปรุงแต่งทางกายด้วยแต่ให้มองไว้ก่อนว่าเป็นอาการปรุงแต่งทางใจมีความกลัวแล้วถ้าเราเห็นว่าความกลัวนั่นแหละคือความมืดที่แท้จริงมันจะมีจุดสังเกตที่ชัดเจนว่าเราไม่เอาไอ้สิ่งที่มัน อยู่นอกตัวที่รู้เห็นไม่ได้ในขณะนั้นแต่เอาสิ่งที่มันรู้เห็นได้ด้วยตัวเองที่มันเกิดขึ้นแ น, น่ๆข้างในคือความกลัวอาการกลัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับใครเอาผ้าดำมาหม่มหรือมีความรู้สึกเหมือนจิตเนี่ยมันขนลุกแปลกมันมีอาการที่แบบโยกไหวโยกไหวในแบบคล้ายๆกับกลัวใครมาทำร้ายกลัวใครมารบกวน พอมองเป็นอาการทางจิตแบบนี้มันมีความสามารถที่จะต่อยอดได้เห็นว่าอาการกลัวเนี่ยสแสดงความไม่เที่ยงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่มันสว่างขึ้นมาเห็นไหมที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปัญญานะแต่ตอนที่มันหลงเข้าไปติดกับความกลัวเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าความโง่นะเป็นโมหะชนิดหนึ่งแต่ตอนที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญญา เนี่ยอย่างดูอย่างนี้แหละพอโอเคไม่ต้องไกดมากแล้วเนี่ยพอพอเราเห็นเนี่ยว่ามันว่าจะดูว่ามันมืดยังไงว่ามันปรุงแต่งหลงไม่ตามความมืดยังไงมันจะสว่างขึ้นมาเองแล้วพอสว่างขึ้นมามันหายกลัวจําไว้ว่าเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างแท้จริงเนี่ยด้วยความสว่างของปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นว่าความกลัวมันเป็นแค่ความปรุงแต่งชั่วคราวของจิต มันไม่ได้มีอะไรมากไวกว่านั้นต่อให้มีอะไรพิเศษข้างนอกมันมันเป็นแค่เปลือกเหมือนกับมีตึกรามบ้านช่องเหมือนกับมีรถยนต์มีถนนหนทางมีผู้คนอยู่รอบตัวเรามีอยู่จริงๆแล้วมันก็ปรุงแต่งใจเราได้จริงๆแต่สาระสาคัญที่มันเป็นแก่นสารจริงๆก็คือว่าเราถูกปรุงแต่งให้เป็นแบบไหนมืดหรือว่าสว่างฉลาดหรือว่าง่เป็นปัญญาแบบพุท ธ, ธะหรือว่าเป็นโมหะในแบบที่ มันจะพาให้เราหลงไปในสังสารวัตรเรื่อยๆนะแล้วคุณปฏิบัติยังไงคะคุณคนเริ่มยังไงเนี่ยเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาดูว่ามันเป็นความปรุงแต่งของจิตคีย์เวิร์ดสั้นๆดูว่าความกลัวคือความมืดพความมืดเข้ามายอมรับตามจริงเอาแค่นั้นแหละปกติที่ผ่านมาบางทีคือกดข่มเลย นั่นแหละกดค่มมันยิ่งกลัวหนักเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะจะรู้ว่าตัวเองอารมณ์เก็บกดอยู่พักหนึ่งอะค่ะ <c oughs> พอเราเห็นว่าความกลัวเป็นแค่อาการปรุงแต่งชั่วคราวมันจะเริ่มได้ข้อสังเกตใหม่พอเห็นความกลัวตามจริงมันจะรู้สึกมืดมืดในลมหายใจนี้ยิ่งลมหายใจหนึ่งต่อมามันจะค่อยๆ ค, คลายออกไปตอนที่มัน เห็นว่าอารมณ์กลัวมันคลายออกไปนั่นแหละความสว่างมันจะผุดขึ้นมาแทนนะสวัสดีครับคือเป็นแฟนห น, นังสือมาพอสมควรแล้วก็ติดตามอ่านใน Facebook ก็คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาถามคาถามแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คงมองหาเขาเรียกว่าอะไรพี่ซอฟมายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในแต่ว่าก็ ปฏิบัติบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่ที่เหมือนคนอื่นคือนั่งสมาธิบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าไม่เคยไม่เคยไปถึงไหน <c oughs> พอเราไปล็อกอยู่กับความเชื่อว่ามันจะไม่ถึงไหนเนี่ยมันก็จะไม่ถึงไหนจริงๆริงน ะ, ะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่น เริ่มมองก่อนว่าความคิดมันเป็นแค่โครงขังชนิดหนึ่งเนี่ยอย่างตอนนี้มันเปิดออกคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าใจมันสว่างขึ้นทั้งๆ ท, ที่นี่ไม่ได้นั่งสมาธินะมันมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรโล่งขึ้นโปร่งขึ้นตรง น, นี้ก็เพราะว่าความคิดแบบเดิมๆที่ว่าไปไม่ถึงไหนเนี่ยมันหายไป มันมาถึงตรงนี้แล้วมันมาถึงความสว่างมันมาถึงเนี่ยจิตแบบนี้นะอีกนิดเดียวมันกลายเป็นสมาธิได้อย่างเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิช่วงแรกเนี่ยมันยังนั่งอยู่ด้วยอาการที่ว่ารู้สึกว่ามันจะไปไม่ถึงไหนคือจะมีอยู่เคลือบๆ อ, อยู่ เป็นความพุ่งสัน้นนะแล้วก็พอมีความคิดแบบนั้นเป็นตัวตั้งเนี่ยพอทําไปทําไปมันรู้สึกเหมือนกับมีครื่อความพุ่งสั้นรบกวนขึ้นมาเนี่ยมันก็ชวนเราเขวะออกนอกทางได้ทันทีนี้ต่อไปถ้าไม่มีไอ้ครื่องรบกวนในแบบนั้นที่มาครอบงำเราได้นะ มีแต่ความเต็มใจที่จะเห็นว่าแต่ละลมหายใจนี่มีความปรุงแต่งขึ้นมายัางไงจะฟุ้งซ่านมากหรือฟุ้งซ่านน้อยแต่ละขณะเนี่ยแต่ละลมหายใจมันไม่เท่ากันนะบางทีมันก็ฟุ้งซ่านหนักขึ้นมาในลมหายใจหนึ่งแต่บางลมหายใจมันก็ฟุ้งซ่านน้อยลงนี่มันจะพอพอเริ่มเห็นว่ามันไม่เท่าเดิมในแต่ละลมหายใจมันจะเริ่มมีแก่ใจดูไปเรื่อยๆ มันจะเริ่มสนุกที่ผ่านมามันไม่มีอารมณ์สนุกไงมันเหมือนกับว่าทําไปเนี่ยไม่มีพ o i n t แต่พอมาเริ่มเห็นว่าลมหายใจนี้มันพุ่งหนักอีกลมหายใจหนึ่งมันเบาบางลงอีกลมหายใจหนึ่งมันกลับมาพุงหนักอีกแล้วคือมันจะเหมือนเหมือนได้ของเล่นใหม่เป็นของเล่นทางจิตที่เราไม่ได้ ตั้งใจจะเอาอะไรเลยนอกจากเห็นความแตกต่างของความพุ่งสั้นไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเราคืบหน้าขึ้นมาเป็นลําดับยิ่งเห็นความแตกต่างของความพุ่งสั้นได้มากขึ้นเท่าไหร่นี่ยอย่างตอนนี้มันพุ่งมากขึ้นมาอยู่ๆเห็นไหมจากสภาพที่มันสงบอยู่ดีๆเนี่ย ม, มันกระจายขึ้นมามันหนาแน่นขึ้นมาเนี่ตอนนี้มันยังไม่ได้จางไปนะแต่ มันไม่ได้ถึงพีกเท่าเดิมตอนนี้มันค่อยๆโรยตัวลงมาเพราะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องแบ่งว่ามันต่างไปยังไงในแต่ละขณะในที่สุดมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชัดเจนว่าเออความคืบหน้าเนี่ยมันคือการเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดเจนเข้าใจพ้อยไหม คือไม่ใช่ว่าเราสงบลงไม่ใช่ว่าความคื่บหน้าหรืออาการแอดวานซ์อะไรทั้งหลายคือได้ฌานได้ยานแต่ความคืบหน้าที่แท้จริงคือการได้เห็นว่าความฟุ้งซ่านมันไม่เท่าเดิมไปเรื่อยๆมันได้เห็นอะไรบางอย่างที่แสดงอนิจจารักษณะหรือที่เรียกว่าความไม่เที่ยงออกมาชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วยิ่งเห็นชัดขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ใจมันจะยิ่งเหมือนกับรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านอาการที่มันคิดไม่เลิกเนี่ยมันเป็นแค่อนัตตามันเป็นแค่อะไรอย่างหนึ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ว่าจะให้หนาแน่นขึ้นเมื่อไหร่ลมหายใจไหนจะให้มันเบาบางลงเมื่อไหร่ลมหายใจไหนแต่เราสั่งตัวเองได้อย่างต่อเนื่องว่ารู้และยอมรับว่ามันว่ามันแตกต่างไปมันแสดงความไม่เที่ยงไป ในแต่ละลมหายใจนะโอ้โหทรศัพท์เก่งมากเลยนะเนี่ยรับสัญญาณดาวเทียมในห้องได้นี่ปิดแปดแปดทิศเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อบ้างเคยเคยเล่าตั้งแต่จรจิงแล้วสิบกว่าปีมาเนี่ยเอ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือปรัชญาจรจิงเป็นเป็นริเชเชอร์เป็นทั้งนักธุรกิจเป็นริเชเชอร์ด้วยแล้วก็เอ่อมันมีอะไรผลกระทบจนกระทั่งรู้สึกว่า ไม่ที่เชื่อเดี๋ยวเอาเอไม้จ่อปากนิดหนึ่งนะได้ค ช, ช่วยเอาไม้ได้ครับก็คือไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดให ม, ม่คือหมายความว่าผมก็จะศึกษานะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่เชื่อก็คือก็จะแล้วก็จะอ่านปรัชญาทั้งทางตะวันตกทางตะวันออกอย่างนี้ครับก็คือว่าแต่คราวนี้พอดีเมื่อสักสิ่ห้าปีที่แล้วก็เริ่มรู้สึกเคว้งคว้างว่าถ้าเราไม่มีหลักยึดอะไรเลยเนี่ยเมันรู้สึกมันมันโงงคือจิตใจมันมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยว ก็เลยลองไปบวช ด, ดูอะไรดูแล้วก็พระท่านก็ถามค่อนข้างแหละคือเราก็ถามเขาก็ถามค่อนข้างแรงบอกคุณไม่เชื่อคุณเชื่อพระเจ้ามีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือท่านทดสอบอารมณ์เราหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็บอกว่าผมเชื่อแต่ว่าเรื่องพุทธิฐานต่างๆอะจจะไม่เชื่อทั้งหมดอะไรเงี้ยคืออาจจะตอบแรงคราวนี้ท่านก็เลยบอกว่าก็เลยมีศรัทธาสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ใช้มาสามสี่ปี แต่ว่าคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยคือก็เชื่อท่านเรื่องหนึ่งคือพยายามสวดมนต์แตใจมันไปไปที่อื่นหมดละก็จิติโสคือการเป็นนักวิจัยเนี่ย p <c oughs> อย n t ของจิตแบบนักวิจัยนะ point <c oughs> ที่ต้องการเนี่ยคือข้อสรุป <c oughs> ตอนที่เราทำวิจัยเรื่องอะไรกันแล้วแต่มันจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ประเด็นนี้ตกไปประเด็นนี้ตกไปถือว่าเราประสบความสาเร็จ ในพอเราพยายามที่จะวิจัยเรื่องที่มันวิจัยไม่ได้ด้วยหูด้วยตามันไม่มีทางได้ข้อสรุปเหมือนกับพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าจะอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรือในอนาคตการก็ดีการคุยกันเรื่องปาฏิหาริย์หรือว่านรกสวรรค์นเนี่ยมันไม่มีทางจบเพราะมันคุยกันในแบบเอาความเชื่อมาคุยกัน หรือว่าทําการวิจัยในแบบเอาตาเอาหูมาวิจัยมันไม่ใช่เอาจิตส่องเข้าไปเห็นนะอย่างเรื่องความพุ่งซ้านอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ตัวเราเองบางทีมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันพีคขึ้นมาเมื่อไหร่มันหนาแน่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันเบาบางลงไปเมื่อไหร่แล้วบางทีถ้าจะมาทําวิจัยเรื่องนี้มันไม่รู้จะตั้งธงไว้ตรงไหน คือเอาอะไรเป็นข้อสรุปในการวิจัยว่าเดี๋ยวมันเมื่อไหรที่มันถึงไซเคิลที่มันจะหนาแน่นขึ้นเมื่อไหร่ที่มันจะถึงไซเคิลที่มันจะเบาบางลงคือไม่รู้จะเอาข้อสรุปอะไรที่เป็นกันสารแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเข็มไม่ชัดเจนว่าเราจะดูกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้ต้นเหตุของอาการยึดมั่นถือมั่นมันหายไป แล้วพออาการยึดมั่นถือมั่นหายไปจิตจะได้ไม่มีต้นเหตุของความทุกข์ไม่มีต้นเหตุของความกระวนกระวายอันนี้ได้ข้อสรุปและเป็นข้อสรุปใหม่ไม่ใช่ข้อสรุปทางการวิจัยแต่เป็นข้อสรุปทางประสบการณ์ตรงว่าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาด้วยใจที่มันเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยจากอาการยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้น นี่ยตัวนี้แหละที่มันจะเป็นข้อสรุปทางประสบการณ์ที่เป็นแก่นสารสำหรับตัวเราเองที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นออปัจจตตังเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เฉพาะตนนะฮะขอบคุณมากครับครับผมจาสวัสดีค่ะพี่ตุล อ, อ, อันนึงขอขอบคุณพี่ตุน้นะคะแล้วก็ข อ, อนุโมรธนาบุญกับพี่ตุนคะ่ะที่เปิดเสวนาทั้งที่พี่ <laughs> ยังไม่หายดีนะคะคำถามไม่เยอะคะ่ะวันนี้หนูจะมาส่งการบ้าน <laughs> ว่าหนูปฏิบัติเข้ารูปเข้ารอยตามที่พี่แนะนำหรือเปล่าคะ ใจเนี่ยมันเหมือนกับสามารถที่จะรู้เข้ามาที่ตัวเองได้ละว่าบางทีมันว่างๆบางทีมันเหมือนกับมีความความรู้สึกโล่งความรู้สึกปร่งที่ตรงกลางนะนี่ความคิดฟุ้งซ่านมันยังคลุมอยู่เราก็ดูเปรียบเทียบบางทีใจมันว่างแต่หัวมันไม่ว่าง นี่บางทีมันยังเหมือนเรายังสับสนอยู่ว่าจะดูตรงไหนพอดูดูไปแล้วคือเพราะมันมันเหมือนกับข้างในกับข้างนอกมันไม่เหมือนกันรู้สึกได้ไหมไเหมือนเหมือนกับข้างในเราว่างแต่ข้างนอกมันป่วนแล้วเราไม่รู้จะดูตรงไหนมันมันทำให้สับสน หนต้องทำยังไงคะ <c oughs> เ อ, อ่อพอเราถามตัวเองว่าต้องทำยังไงเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความสับสนละมันเป็นต้นเหตุของความสับสนหนึ่งว่าเรารู้มาเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทำเราทำมาก็ไม่น้อยเหมือนกันใจมันเวลาที่เรานั่งสมาธิมันเหมือนนิ่งได้สวนมนต์แล้วเราก็เออสามารถที่จะมีความรู้สึกสว่างได้ แต่พออยู่ในระหว่างวันเนี่ยมันขัดแย้งกันระหว่างความว่างภายในใจ ค, ความรู้สึกเหมือนอะไรที่เปลือกเนี่ยความคิดเนี่ยมันวาวุ่นอยู่นะภาวะไหนกําลังปรากฏเด่นเราดูภาวะนั้นไม่ใช่ไปถามตัวเองว่าจะทํำยังไงหรือว่าจะดูตรงไหนอย่างเวลาที่มันอยู่ๆมันรู้สึกว่างขึ้นมาตรงกลางเราก็ดูไปว่าความว่างเที่ยงไหม ถ้าเกิดรู้สึกวุ่นๆขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรปกคลุมอยู่เต็มหัวไปหมดนะไอภาวะเด่นนั้นที่เป็นความว้าวุ่นนั้นเนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าเที่ยงไหมแต่ถ้าเราถามตัวเองว่าทํำยังไงดีอย่างนี้ไม่มีทางจบแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยสรุปคีย์เวิร์ดล้านๆคือว่าภาวะอะไรกําลังปรากฏเด่นดูตัวนั้นนะ แล้วก็อย่าไปสงสัยว่าจะทํำยังไง <ขอ S 1> ถามตัวเองว่าสิ่งที่กําลังปรากฏเด่นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงแค่นั้นอืขออีกคำถามนึงนะค ะ, อะเออถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรใช่ไหมคะแล้วเราอธิษฐานจิตอะ่ะแล้วจิตมันจะมั่นคงอ่ะคะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราขอในสิ่งที่เราอยากได้อ่ะคะ่ะจิตมันจะไม่มั่นคงแล้วถ้าอย่างนี้ถือเป็นการหลงผิดหรือเปล่าคะ แล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติมาพอสมควรต่อไปไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วไม่ต้องอธิษฐานนิสัยอธิษฐานเนี่ยเป็นนิสัยที่ขัดแย้งกัน ก, การเห็นตามจริงยอมรับตามจริงคือการอธิษฐานหรือว่าตั้งใจอยากได้โน่นอยากได้นี่หรือว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีกาลังใจขั้นพื้นฐาน แต่ถ้าเราปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยการอธิษฐานไม่ใช่สิ่งจําเป็นอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังอยู่กับมันเนี่ยดีที่สุดคุ้มที่สุดในชีวิตอยู่แล้วถ้าหากว่าจะมีใครสักคนอธิษฐานก็ควรจะอธิฐานขอให้เราได้อยู่ในเส้นทางแบบนี้นี่แหละถ้าจิตมันเดินมาถึงตรงนี้นะมันก็คือเดินต่อไปโดยไม่ต้องคาดหมายไม่ต้องคาดหวังอะไรอีกต่อไปขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับครับผมก็สวดมนต์บ้างนะฮะเป็นบางครั้งแล้วแต่อารมณ์นะฮะบางทีขี้เกียจก็ไม่สวดนะครับก็เลยอยากจะถามคุณดังตินนะฮะคือผมได้ยินคําว่าดูกายดูจิตเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับผมเหมือนอย่างพอเราไม่ไม่อยากสวดมนต์ขี้เกียจสวดมนต์เนี่ยถ้าถ้าดูภาวะทางใจตอนนั้นก็จะไปเห็นความขี้เกียจ เห็นอาการของใจที่มันไม่อยากหันหน้าเข้าหาอาการสวนมนนี่ถ้าเห็นอาการแบบนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นอาการปรุงแต่งของใจแล้วเรียกว่าเห็นภาวะอาการทางจิตแล้วหรืออย่างภาวะทางกายตอนนี้ขอตั้งหลังตรงอยู่อยู่ในท่านั่งนี่ก็เรียกว่าเห็นกายถ้าเรารู้สึกถึงอาการของกายนะรู้สึกอาการถึงความปรุงแต่งของจิต ไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าทุกภาวะทั้งทางกายทั้งทางจิตมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเห็นกายและเห็นจิตคือบางคนเนี่ยเป็นสำคัญมั่นหมายว่าเห็นกายหมายถึงเห็นทุกขยับของกายหรือว่าเห็นจิตเนี่ยเห็นว่าจิตหน้าตามันเป็นยังไงสว่างโพร่งหรือว่ามีอาการแบบอื่นยังไงอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าเห็นกายเห็นจิตด้วยสติมันเป็นอาการเหมือนกับสแนปช็อตถ่ายรูป เพื่อให้รู้ว่าในขณะนั้นมันกาลังเกิดปรากฏการอะไรขึ้นแต่ไม่เรียกว่าเป็นสติไม่เรียกว่าเป็นสติที่จะเจริญขึ้นถ้าสติในแบบที่จะเจริญขึ้นในแบบของพุทธต้องรู้สึกว่าเราเห็นภาวะทางกายหรือทางจิตก็ตามเรากําลังดูความไม่เที่ยงของมันอยู่ นี่อย่างตอนนี้ยภาวะท า, ทางใจมันคลายไปนิดนึงรู้สึกขึ้นมาว่ามันคลายตัวที่รู้สึกว่าคลายเนี่ยมันก็คือเห็นความแตกต่างล้ระหว่างจิตที่มันยังล็อกอยู่กับความสงสัยอยากได้คําตอบกับจิตที่มันเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายจากอาการสงสัยพอเห็นภาวะต่างนี้ได้เนี่ยตัวนี้เรียกว่าสติแล้ว แต่ถ้ายังไม่เห็นภาวะต่างยังไม่เรียกว่าสติมันเป็นหมายถึงสติแบบพุทธนะสติแบบการเจริญสติสติปฐาน4ถ้าเราเห็นเฉยๆว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เรียกว่าสติแบบธรรมดาแต่ถ้าเห็นว่ากายใจกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เรียกว่าการเจริญสติมันย่นย่อมาจากคําว่าเจริญสติปฐาน พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงสติปัฏฐานก็ใหมายถึงว่ามีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งที่ดีของสตินั่นก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายแล้วก็ความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็สภาวะของจิตทั้งหลายจะส ง, งบหรือพุ่งสั้นก็ตามแล้วก็อารมณ์อันเป็นธรรมะสภาวะธรรมทั้งปวงที่มันปรากฏตามจริงถ้านอกเหนือจากนี้มันคือสติแบบโลกโลก สติแบบโลกงๆอย่างเช่นว่ารู้ว่ากําลังทํางานในอะไรอยู่หรือว่ากําลังคิดเลขข้อไหนอยู่รู้ว่ากําลังทําบัญชีข้อไหนอยู่เกิดความสับสนแค่ไหนอย่างนี้เรียกว่าสติแบบโลกงๆแต่ถ้าสติในแบบที่เรียกว่าสติปัฏฐานต้องดูเข้ามากายเวทนาจิตธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตัวตนพอรู้ว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันเกิดภาวะถอนจากทุกข์ขึ้นมา ถอนจากหล่มทุกถอนจากต้นเหตุที่จะสร้างทุก์นี่คือ point ว่าทำไมเราต้องดูกายใจครับผมแล้วเวลาอย่างเราทำสมาธินะฮะแบบนั่งหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยนะฮะเวลาที่มีสมาธิแล้วมันจะชอบฟุ้งซ่านนะฮรวิธีแก้ทำยังไงครับผม เคยดูเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขในบัญชีในเงิ น, นเกี่ยวกับการเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่ามันไม่ลงตัวเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านไหมเคยไหมเกิดความรู้สึกหวาวุ่นใจห้ามใจไม่ได้ถามว่าตอนนั้นเนะี่ยทำไมถึงวุ่นใจแล้วก็ห้ามใจไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องเงินในบัญชี เรื่องอะไรที่มันไม่ลงตัวเกี่ยวกับการเงินเนี่ย ร, รู้สึกว่ามันสำคัญคมันทิ้งไม่ได้ในชีวิตของเราเนี่ยจิตถูกล่อด้วยหลายๆเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าตัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้อย่างของคนเนี่ยพ อ, อยคิดแล้วตัวเลขมันไม่ลงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าต้องทำให้ลง หรือว่าต้องไปหาต้นตอที่มันผิดหรือว่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้ายังทำไม่ได้มันว้าวุ่นอยู่ในหัวและหยุดคิดไม่ได้เพราะเรารู้สึกยึดไปแล้วว่านั่นแหละเป็นเรื่องคอขาดบาดตายคำว่าคอขาดบาดตายในที่นี้หมายความว่ายังไงก็ปล่อยไม่ได้ยังไงก็วางไม่ได้เนี่ยตรงนี้ทางพุทธมองว่า ไอ้ที่เรารู้สึกไปสําคัญมั่นหมายไปว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายปล่อยวางไม่ได้เนี่ยก็คือการติดกลับแล้วมันมีเหยื่อล่อมาแล้วเราติดเข้าไปแล้วเรางับแล้วนี่ถ้ามองแบบพุทธคือว่าอาการที่มันเกาะไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยมันเป็นแค่ปลายเหตุของความสําคัญผิดมาตั้งแต่ต้นว่ามันปล่อยไม่ได้ แล้วอาการกัดไม่ปล่อยนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นช่วขณะที่จิตยังสำคัญมั่นหมายผิดผิดอยู่เกิดอุปทานอยู่ว่ายังไงก็ปล่อยไม่ได้ตัวนี้เนี่ยพอเรามองเข้าไปเห็นอาการทางใจว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากอาการยึดติดเหมือนกับจิตเนี่ยถูกถูกดูดให้ก้าไปติดกับอะไรผิดผิดแล้วก็ไม่ยอมปล่อย มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออแล้วจะเกาะไปทําไมแล้วจะเกาะเกี่ยวไปทําไมเหมือนเหมือนอย่างสมมติว่าตอนที่เราเรารู้สึกถึงความไม่ลงตัวเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขเนี่ยก็ตอนนั้นมันทําอะไรไม่ได้อะแล้วทําไมจิตมันถึงยังปล่อยไม่ได้เพราะมันยังสําคัญผิดอยู่คือคือถ้าเราเรารู้ทางออกเรารู้ทางแก้ปัญหาแล้วเราแก้นั่นนั่นว่าไปอย่างหนึ่ง แต่ตอนที่เรายังไม่รู้ทางออกยังอยู่ในเวลาที่ไม่มีใครเขาทำงานกันแล้วเราวา้วาวุ่นไม่เลิกอยู่ทั้งคืนเนี่ยอันนั้นคือความสูนย์เปล่าคือความฟุ้งซ่านที่สู์เปล่าและที่มันยังฟุ้งซ่านอย่างสูนย์เปล่าไปเรื่อยๆทั้งคืนเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ามันเห็นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันงับเหยื่อแล้วเข้าใจพอยหมคือตราบใดที่เรายังมองไม่เห็น ว่า น, นี่คืออาการยึดคืออาการงับติดอยู่กับเหยื่ออย่างศูน์เปล่าจิตมันจะงับไปเรื่อยๆไม่ปล่อยแต่ถ้านับเวลานั้นเราเห็นว่าเนี่ยงับเปล่าเสียเวลาเปล่ามันจะถอนออกมามันจะถอนออกมาด้วยอาการฉลาดของจิตคือไม่ใช่คิดตั้งใจหรือสั่งตัวเองให้มันถอนออกมาแต่มันเห็นว่าเนี่ยงับไปทาไมมันเสียเวลาเปล่ามันปล่อยออกมาเลยนะ เข้าใจพลอยนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเข้าใจเรื่องของจิตมันจะเห็นว่าการจเจริญสติมันไม่ใช่การแกล้งทำเป็นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแกล้งทำเป็นรู้ตัวเรื่องอะไรแต่มันจะเป็นอาการยอมรับตามจริงล้วนๆเลยว่าเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เสียเวลาเปล่า นี่เราอยู่ในภาวะที่ปรุงแต่งให้มืดเปล่าคือมันจะไม่เอาเฉพาะตรงที่มันกำลังดีๆแต่มันเอาตรงที่มันกำลังเสียเสียด้วยและที่สติของคนจะเจริญงอกงามได้มากที่สุดเนี่ยนะก็ตอนที่เราสามารถยอมรับสภาวะที่กำลังเสียเสียที่กำลังมันพุ่งซ่านหรือกาลังมีอาการยุดติดอย่างตุนเปลนะครับข อ, ขอถามอีก คำถามหนึ่งนะครั บ, ค ร, บครับพอดีผมชอบฝันเห็นพวกพวกเทพพวกพระนะครับผมทั้งพระสงฆ์พระพุทธรูปแล้วก็พวกพญานาคพวกพระยาขุดอะไรพวกนี้ครับซึ่งพอตื่นขึ้นมามันก็ทําให้แบบลังเลสงสัยนะครับว่ามันมันมันเกิดเพราะอะไรทั้งที่ก่อนนอนเราก็ไม่เคยนึกไม่คิดเคยนึกถึงอะไรสิ่งเหล่านี้นะครับ แม้บางทีพยายามจะนึกจะฝันให้ได้แต่แต่มันก็ไม่ฝันนะครับมันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรครับผมเอาไปตีเป็นเลขมั่งมา <c oughs> เป็นบางครั้งครับนั่น <c oughs> เห็นไหม <c oughs> คืออันนี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะ <c oughs> แต่จะบอกไว้ว่าพอเราเห็นนิมิตหรือว่าไป ออมองว่านี่เขามาบอกหรืออะไรทั้งอย่างนี้แล้วพยายามแปลเป็นตัวเลขเนี่ยแม้แต่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวจิตมันจะมีอาการปรุงแต่งไปในทางเดิมคือคือมีความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าอยากเห็นอีกบางทีเราไม่ได้อยากออกมาจากความคิดนะแต่มันเป็นความรู้สึกออกมาจากจิตว่าเนี่ยมันต้องมีรางบอกเหตุอะไรบางอย่าง เป็นนิมิตบอกคือพอคนเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้วไปตั้งสเปคไว้ว่าเนี่ยน่าจะตีเป็นเลขได้เหมือนเกิดการทำงานทางจิตทันทีการทำงานทางจิตเนี่ยมันซับซ้อนพิสดารบางทีมาในรูปของการที่ลงแต่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ เ, าเดาจะได้เดาถูก ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลขออกอะไรหรือบางครั้งมันเป็นความคาดหมายว่าญาติเก่ามาเยี่ยมหรือเปล่าเจ้านายเก่ามาเยี่ยมหรือเปล่าหรือบางครั้งมันอาจจะไปนู่นเลยว่าเออเดี๋ยวจะมีปรากฏการบ้านเมืองอะไรต่อเมื่ออะไรต่างๆมันจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคือขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยจิตปรุงแต่งเสริมเติมไปในทางไหน จิตของเราปรุงแต่งเสริมเติมไปในทางไหนเนี่ยมันก็จะเกิดนิมิตหรือว่าปรากฏการทางจิต ท, ที่มันสอดคล้องกันอย่างที่เขาบอกจิตชอบแบบไหนมันก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละนี่ถ้าเรามองในแบบที่พระพุทธเจ้าให้มองแม้แต่อารมณ์ฝันนิมิตฝันพอมันผ่านไปแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นว่า นี่คือความปรุงแต่งทางใจชั่วคราวมันเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะหนึ่งอย่างน้อยเราจำได้ว่าความปรุงแต่งแบบนั้นหน้าตามันเป็นยังไงมีพญานาคมีพระอินทร์มีอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะตระหนักได้เช่นกันว่าผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็ผ่านไปตัวนี้แหละที่จะเป็นสาระตัวนี้แหละที่จะเป็นแก่นสาร คือเห็นว่ามีความปรุงแต่งแบบหนึ่งเกิดขึ้นแล้วความปรุงแต่งแบบนั้นหายไปใจของเราจะไม่ล้องติดไปในเรื่องว่ามันเป็นเลขหรือเปล่ามันเป็นเจ้านายเก่ามาหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่มันจะเห็นไปเห็นไม่ตามจริงในสิ่งที่เรายืนยันได้กับตัวเองเลยทันทีว่าเกิดขึ้นแล้วมันหายไปตัวนี้แหละแก่นสารที่ สติมันจะเจริญขึ้นครนะับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะพี่ตุลอันนี้ต้องออกตัวนะคะเพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งมันเริ่มฝึกไม่เหมือนคนอื่นค่ะแต่ว่าขอบคุณพี่ตุลนี่ให้โอกาสวันนี้ได้เข้ามาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ปกติจะฟุ้งซ่านยังเสียเวลาเปล่าอยู่บ่อยๆแต่่เเมมมมือกกกกี้้้้ฟัังงาาาาา็็นนรูสึขาาขใ มาก<ช>ขึ้นเรื่อยๆ เ, ออเนา ะ, ะออวันนี้รู้สึกก็จิตใจสงบดีอาจจะเพราะว่าเป็นวันหยุดงานแล้วก็รู้สึกวันนี้สงบอยากถามพี่ตุนว่าวันนี้ที่รู้สึกว่ามันเงียบๆนิ่งๆเนี่ยอย่างนี้กว้างหรือว่าแคบอะคะกว้างคือจิตของเปิ้ลเนี่ยมันพร้อมจะกว้างถ้าหากว่าความคิดมันหายไปแล้วก็พร้อมจะแคบถ้าหากว่าความคิดมันเข้ามา คือการปรุงแต่งในจิตแบบของเราเนี่ยมันเซนซิทีฟทั้งในแบบที่มันสว่างแล้วก็มืดคือมืดนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องมีเจตนาชั่วร้ายหรือว่าจะต้องมีความคิดอยากจะประทุษร้ายอะไรแต่ว่าความหมายของมืดนี่ก็คือว่าจิตคับแคบมาแล้วเกิดความเครียดเกิดความฟุ้งซ่านหรือเกิดโทสะขึ้นมาอย่างรุนแรงจิตของเรามันเซนซิทีฟทั้งในทางบวกแล้วก็ทางลบ ถ้ามองว่าจิตมันเซนซิทีฟนะฮะเราก็ต้องออมีสติที่เซนซิทีฟเหมือนกันหมายความว่าเกิดภาวะอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะมีสติที่ทันว่าตรงนี้กำลังเป็นบวกนะตรงนี้กำลังเป็นลบนะเพราะว่าถ้าสติไม่ทันเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตทั้งชีวิตมันจะเซนซิทีฟอยู่กับอารมณ์ลบอารมณ์บวกแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว แล้วพอจิตมีความตั้งมั่นเข้าไปในอารมณ์ลบหรืออารมณ์บวกเนี่ยบางทีมันยากที่จะถอนอย่างตอนที่เรากําลังเครียดหรือว่ากําลังหมองมุ่นคุ้นคิดจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันมีความร้อนใจเรารู้สึกเหมือนกับเครื่องร้อนหยุดไม่ได้แล้วมันอารมณ์นะมันก็จะไปเรื่อยของมันโดยที่ อ, อ เหมือนกับบางทีเราสั่งให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้บางทีเราไปสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วนะมันมันก็มันก็เหมือนกับสายเกินไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราพัฒนาตัวสติขึ้นมาจากการเปรียบเทียบตอนนี้ที่เปิ้ลว่ามาเนี่ยบางทีมันมันรู้สึกกว้างมันรู้สึกสว่างมันรู้สึกเงียบๆเห็นว่าเนี่ยอารมณ์เงียบๆอารมณ์กว้างๆมันเป็นแบบนี้ แล้วพอมันเริ่มมีความคิดปรุงแต่งในทางที่มันจะทำให้แคบขึ้นมาหรือว่าจะทาให้เกิดความว้าวุ่นเราก็เห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยจิตมันต่างไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเห็นแบบนี้ไปบ่อยๆแล้วก็เห็นเพื่อที่จะให้รู้ว่าแต่ละอารมณ์มันไม่เที่ยงนะโดยสังเกตอย่างที่พี่ว่าเนี่ยว่าลมหายใจนึงมันมันเปิดกว้างแค่ไหนและอีกลมหายใจนึงมันปิดแคบลงมายังไงนะ คือดูให้ทันพอสติมันเซนซิทีฟได้เท่ากับความเซนซิทีฟของจิตมันจะอยู่ที่จุดหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าไม่เป๋ง่ายทุกวันนี้มันยังเป๋ง่ายบทจะดีมันดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทําให้เราเสียได้แต่บทจะเสียมันดูเหมือนกับไม่มีอะไรจะทำให้เราดีได้เหมือนกันนี่พอสติมันมันทันมันมีความเซนซิทีฟมันมีความไว พอนะเกิดอะไรขึ้นมันรู้หมดมันคือไม่ใช่รู้เพื่อที่จะห้ามเอ๊ที่เราสั่งสมความเฉยชืนมาเนี่ยคือมันมันมีสติเพื่อที่จะห้ามมันมีสติเพื่อที่จะเบรกมันมีสติเพื่อที่จะควบคุมให้มันเป็นไปยังไงตามที่เราต้องการแต่ทีนี้ถ้าอย่างอย่างที่ฟังมาวันเนี้ยก็คือว่าเรามีสติที่ไวพอที่จะเห็นว่าเออที่จะยอมรับ ว่ามันเกิดภาวะแบบหนึ่งขึ้นมาในภาวะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละลมหายใจตัวเนี้ยที่มันจะทำให้สติเราัวขึ้นจริงๆเพราะว่าสติแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สติแบบที่เราจะต้องฝืนใจบังคับตัวเองแต่เป็นสติในแบบที่เราแค่ทำใจว่าจะยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นจริ ง, รงๆได้ยังไงเนี่ยเข้าใจความแตกต่างนะ เเดี๋ยวค่อยไปคุยกันต่อโอเคครับพี่ตุลค่ะขอขออนุญาตถอดถามนิดนึงค่ะค่ะก็คือตะกี้ที่นั่งนั่งสมาธิค่ะพี่ตุลก็รู้สึกว่านั่งเหมือนแช่มันนิ่งด้วยคือแบบเหมือนแช่ไหมค่ะหรือว่าแล้วเหมือนมันพังอะไปเหมือนไม่รู้ตัวแต่ว่าก็กลับมารู้ตัวใหม่อย่าเงี้ยค่ะ น, น, น, อนตอนทําต้นเหตุนะ่ะถูกแล้วแต่ว่าที่มันเกิดอาการขึ้นมาแบบนั้นเพราะว่ามันมีความไม่สมดุลของของเดิมกับของใหม่หมายถึงว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมากับช่วงก่อนๆเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะตอนที่เราปฏิบัติอยู่จริงๆต่อนเนื่องเนี่ยมันก็มีกําลังแบบหนึง่งในช่วงหลังๆมัน เอ่อเอ้อระเหยนะหรือว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปค่อนข้างมากเนี่ยมันก็จิตมันก็เสียไปคุณภาพมันก็เสียไปนี่มันจะไม่สมดุลตรงที่ว่าของเดิมมันก็ยังมีกําลังอยู่แต่ไอสภาพที่มันเปนไปเป๋มาในช่วงหลังๆเนี่ยมันทําให้เกิดการแย่งกันยื้อกันระหว่างไอที่มันมีกําลัง นะจิตที่มันมีกำลังจิตที่มันมีความเป็นสมาธิกจิตที่มัน เ, เป๋ง่ายมันก็มีสภาพพังหะบ้างมีสภาพเหมือนกับ อ, อยู่ทรงอยู่ไม่ได้นะเป็นเรื่องธรรมดานี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราฝึกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กำลังมันสั่งสมตัวขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นในที่สุดแนละ้วมันก็เกิดความตั้งมั่น มันก็จะไม่มีคือแม้แต่คนที่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะพังอัดได้มีอาการตกหลุมอากาศได้เพราะว่าอยู่ในใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันไม่ได้ปลีกวิเวกนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนแบบพระที่ท่านอยู่ในป่านะก็ อ, อย่าคาดหวังว่ามันจะมีอาการที่นิ่งกับนิ่งอย่างเดียวบางทีมันก็มีตกหลุมอากาศบ้างบางทีมันก็มีอะไรบ้างให้รู้ว่าภาวะแบบนั้นมันไม่เที่ยงเท่า น, นั้นเองนะ แล้วในชีวิตประจำวันนี่เหมือนไหลไปเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องดูอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ก็ดูดีขึ้นไงออมันก็ไม่ไหลเหมือนไงช่วงที่ผ่านมามันอย่างน้อยมันมีคอนโทรลตัวเองบ้างอย่างที่พี่บอกถ้าเราไม่ตามใจตัวเองมากเกินไปนะทาทาให้มันนานๆอยู่ที่ไหนให้มัน เ, เป็นที่เป็นทางเนี่ยเออมันก็จะมีคอนโทรลตัวนี้มันก็ มันทําโลกกับธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมันไม่ได้แยกออกจากกันถ้าเรามีคอนโทรลทางโลกมันก็มีคอนโทรลทางธรรมด้วยถ้าเราปล่อยเปรปะในงานแบบโล่งๆมันก็มันจะมีความรู้สึกว่าเปรปะสเปะสปะในขณะที่ทําสมาธิด้วยเพราะมันจิตอันเดียวกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จิตของต่างคนนะมันเป็นจิตที่สะสมแบบนิสัยอย่างหนึ่งไว้แล้วเนี่ยไหมันก็จะมีนิสัยแบบนั้น สืบเนื่องไม่ว่าจะทำสมาธิหรือว่าไม่ทำสมาธิเอาแหละโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะออขอบคุณที่มาร่วมเสวนาการสวัสดีครับ